กราบนมัสการท่านพระอาจารย์พระครูบวรเวรวงพระอาจารย์คันชิตอกินโนที่เคารพอย่างสูงวันนี้ตรงกับวันพุทธที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2512เป็นวันแรกของการเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรกลับมารู้สึกตัวโดยท่านพระอาจารย์ขอความเมตตาท่านอาจารย์ได้เปิดการอบรมแนะนําหลักการปฏิบัติตามสมควรแก่เวลากราบพระนาท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรท่านอาจารย์มรกตสืแสงนามประธานโครงการท่านอาจารย์พัชรีท่านอาจารย์กุลพัฒน์ท่านอาจารย์ประสานงานทั้งสองท่านขอขอบคุณท่านเจ้าภาพคุณนิตวิสาเรเลองเดช ท, ที่ได้เป็นเจ้าภาพาในการเป็นสะพานบุญให้กับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านได้มีโอกาส ขอเจริญพรท่านผู้สนใจไฟในการศึกษาทุก ๆ, ๆท่านนั่งตามสบายฮะ <c oughs> ขอกลับมารู้สึกตัวห้าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่พอเหมาะพอควรน ะ, น ะ, นะกับ <c oughs> เวลาของการปฏิบัติเพราะว่าเนืมอถ้าจะพูดกันตรงๆแล้ว การปฏิบัติเนี่ยหลายคนบอกว่าอาจารย์อนชิตทำคอสกี่วันเนรอสามวันก็มีครับห้าวันก็มีครับเก้าวันก็มีครับเหรอผมว่านะถ้าไม่ต่ากว่าถ้าไม่ได้สักเจ็ดวันแปดวันนี่มันยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกโยมอะเหรอครับขผ ม, ผมครึ่งวันก็ได้เรื่องอยู่ครับ <laughs> เอาเอาง่ายๆสามสิบนาทีผมยังพารู้เรื่องได้เลยครับ เพาทำไมอ่ะอ๋ อ, อผมมั่นใจกระบวนการครับผมมั่นใจว่ากระบวนการที่ดีย่อมนำพาคนเข้าใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นกระบวนการการนำพาสู่การปฏิบัติอาจารย์ไม่ใช่คนที่เทศเก่งนะแต่อาจารย์เชื่อว่าอาจารย์พาไปได้เก่งอยู่คือเทศให้ฟังเนะี่ยอาจจะไม่เก่งหมายถึงความจําไม่ค่อยดี จำบาลีก็ไม่ค่อยได้จำบาลีได้บางที่จำคำแปลไม่ได้นะเทิดก็ไม่ใช่ภาษาสละสะลวยอะไรด้วยนะแต่ว่าพระอาจารย์เชื่อมั่นอย่างหนึ่งก็คือด้วยกระบวนการหรือวิธีการด้วยกระบวนการหรือวิธีการเนี่ยนะจะนำพาพวกเรา คือผู้ปฏิบัติถ้ามีกระบวนการที่ดีมีวิธีการที่ดีพอเขาจะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าหลักการสอนหลักการสร้างปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่องการสร้างปัญญาว่าปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เราจะจะเยียดให้แก่กันแต่ปัญญานั้นจะต้องถูกสร้างขึ้นโดยความประจักษ์และตื่นรู้ของผู้เรียนเอง เพราะฉะนั้นครูผู้สอนมีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือสร้างกระบวนการแล้วให้ผู้เรียนนั้นเข้าสู่กระบวนการนั้นจากนั้นให้กระบวนการนาพาเขาให้เกิดประสบการณ์และวประสบการณ์ที่สั่งสมนั้นจะทำให้เกิดความสว่างและตื่นรู้กับผู้เรียนเองอันนั้นเรียกว่าการสร้างปัญญาตามแนวทางของพุทธะเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงมั่นใจเรื่องกระบวนการ <laughs> นะ สอนให้จำไม่คอยอยากทำแต่สอนแล้วพาให้เป็นเนี่ยเอายังไงก็เอานะเพราะว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ตามถ้าคุณทำตามที่พระ อ, อาจารย์บอกเชื่อมั่นว่าคุณเข้าใจเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำความรู้สึกตัวมันจึงไม่ใช่เรื่องของการจำว่าทำแบบนี้แบบนี้หรือว่าบางคนบอกอาจารย์ฉันยกมือสร้างจังหวะสิจังหวะไปแล้วนะสาธุไม่ผิดเลยค่ะดีจัง แต่ทำไมมันพูดได้เรื่อยๆครับคุยได้อ๋อมันเคยชินคือมันยกมือด้วยความเคยชินไปแล้วจ้าอ้าวต้องทำไงครตั้งใจยกไม่ใช่ยกด้วยความเคยชินหลักการก็ว่านั่งตั้งใจยกตั้งใจยกมือตั้งใจทําทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้งไปเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนรู้แต่เนี้ยอาจารย์ก็อยากจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องบางอย่างให้พวกเราฟังก่อน เพื่อเพื่อเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นใจในความเข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความไม่ทุกข์อาจารย์อยากเล่าเรื่องความไม่ทุกข์ให้ฟังอยากฟังไหมอยากไม่อยากก็จะเล่าคือไม่ได้อยู่กคนอยากฟังไม่อยากฟังคนอยากเล่าเขาใจ่าว่า คือ ม, มันเกิด ม, มันเกิดเรื่องอย่างนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องความที่อยากเล่าเรื่องความไม่ทุกข์ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอยากจะจยืนหยันให้เห็นว่าการเจริญสตินั้นมันสามารถเราไปถึงจุดนั้นได้เข้าใจตรงนั้นได้สัมผัสกับตรงนั้นได้ <c oughs> เรื่องความไม่ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับอาจารย์เนี่ยมันเกิดจะจะเล่านี่คือฟังให้ดีนะมันมีขั้นตอนของมัน มันมีขั้นตอนของมันอยู่มันเริ่มจากการป่วยของพระอาจารย์ในปีนี้เป็นการป่วยที่อาจารย์ไม่เคยป่วยหนักขนาดนี้นะไม่เคยต้องล้มหมอนนอนเสือ่อไม่เคยต้องแอดมิทโรงพยาบาลอะไรทั้งนั้นแต่ปีนี้เนี่ยเข้ามาแล้วสามสี่รอบแอดมิทกันสามสี่รอบเลยทีละทีละสัปดาห์เลย เรื่องของเรื่องมันเกิดจากการที่น่าจะติดเชื้ออะไรบางอย่างมาแล้วมันทำให้ร่างกายของพระอาจารย์เนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเกิดจำรหัสของของของกลุ่มร่างกายตัวเองไม่ได้มันจำเกล็ดเลือดตัวเองไม่ได้มันก็เลยไปทาลายเกล็ดเลือดไปในตัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะ คือหลังจากที่พระอาจารย์ไปมอบเครื่องช่วยหายใจเครื่อง AVO2 เครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูงซึ่งอาจารย์ไปมอบให้กับโรงพยาบาลปางมะผ้าที่ชายแดนไม่ห้องสอนอันนี้ก็ยังไม่ดังอยู่อันนี้ดังอยู่แต่ขี้เกียจถือไม่ใช่อะไรหรอกเ mm hmm. <laughs> สียบไม่ได้ฮะันเล็กเกินทีนี้ปรากฏว่า ตอนขากลับอะตอนขากลับจากน่ะพระอาจารย์รู้สึกเหมือนเหมือนเป็นไข้น่ะเหมือนเป็นไข่เหมือนร่างกายมันเพลียมากเลยจนแบบนั่งรอรถที่สนามบินปลายอะนั่งเให้รอรถรอเครื่องบินที่สนามบินปลายนั่งรอรถที่สนามบินนีจะไปไหน <c oughs> นั่งรอเครื่องบินที่สนามบินปลายอ่ะปกติอ่ะเรก็นั่งเฉยเฉย วันนั้นมันบอมันเมืมอม่อยล้ามากจนประจานแบบต้องเนอน่ะต้องรู้สึกต้องเอนกายลงไปเพื่อให้มันคลายแล้วก็เอ๊ะำไมร่างกายมาแสดงอาการเหมือนป่วยอย่างนี้เนาะไม่ดังฮะทีนี้ทีนี้ก็เลยแต่ก็ไม่ได้เอจใจมากก็กินยากแก้ไขไป ตื่กกินยาแค่ไข่กินยาพาราอะไรมันก็หายเนาะแต่นี้รู้สึกว่าเหมือนมั น, ม, นมันไม่หายสัทีมันแบบมันแสดงอาการไปเรื่อยอยู่เรื่อยทีนี้ก็เลย <c oughs> จู่มาจนกระทั่งวันที่สิบเก้าสิบเก้าก็เลยเข้าเข้ามากรุงเทพอีกพอเข้ามากรุงเทพวันนี้ไอหนักเลยทีนี้ไอหนักเราก็เข้าใจว่า น่าจะโจฝุ่น PM 2.5 ข้อมูลมันบอกขอตอนนันข้อมูลเขาเขาขึ้นกันมากเลยใช่ไหม PM 2.5 PM 2.5 ้ใช่ไหมลามปาไมไปถึงแม้ในชัยภูมิเมื่อก่อนชัยภูมิก็มีกลุ่มควันนะเดือวนี้เกิดความสัจดสยอกลุ่มควันด้นะเมื่อก่อนไม่เป็นไรเลยใครภาวนาเผาไล่อะไรก็ไม่สนใจเด๋ยนนี้ตื่นตัวกันทั้งประเทศ PM 2.5 พระอาจารย์เข้ามา เกิดอาการไอโอ้โหสงสัยเจอฝุ่นพีเอ 2.5 อินเทรนกับเขาหน่อยกลับไปวัดไอหนักตรงนี้เลือดออกด้วยมีเลือดออกอือฮึทีนี้ข่าวเขาเขาก็ข่าวเขาก็าาพาดหัวอีกมีคนป่วยไอออกเป็นเลือดพ m อ 2.5 ชัดเลยกูโดนพ m อ 2.5 กินในใจทีนี้ จนกระทั่งวันที่วันที่ยี่สิบสองไปนอนบ้านโยม <c oughs> เพราะว่ายี่สิบสามจะไปที่อยุธยาไปเปิดคอร์สยาวคืนยี่สิบสองวันที่ยี่บสองตอนเรียนตอนก็วันเนี้ยก็ทําทบุญให้โยมแม่โยมแม่ของเขาครบรอบวันตายของโยมแม่เขา่ที่โยบ้านโยมเขาจึงก็เลยนอนค้างที่นั้นคืนนั้นน่ะไอแบบจนแบบปกติอาจจะใส่เครื่องช่วยช่วงช่วยหายใจอ ขอบไปอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าอาจารย์จะเป็นคนนอนกลนไงกลนแล้วมันก็จะหยุดหายใจแล้วมันก็จะตื่นอ่าอ่าพอมันนอนนอนกลนแล้วมันหยุดหายใจมันก็จะตื่นที น, น <c oughs> ี้ก็ไอไอไอมันก็ตื่นทั้งคืนแต่วันนี้มันก็ไออแต่แค่เราก็ไม่อยากลุ้งนอนมันไปงั้นเพราะตื่นเช้ามาใช่ไหมเรามาดู โอมันมีกระจายเต็มเลยอ่ะหมายถึงว่าเลือดอ่ะมันกระเด็นกระเซ็นกระสายเต็มหน้ากากเนี่ยว่าเฮ้ยนี่คอเราเจ็บมากขนาดนี้เลยหรอก็คิดว่าคอเจ็บนะก็กินยาแก้ไอนั่นนี่ไปพ่นยายี่สิบสามก็เปิดคอที่ศูนย์สี่ คืนในที่ยี่สบสาไอหนักทีนี้ไอหนักตื่นเช้ามาค้านี้ไม่กระเซ็นกระสายแล้วฮะเป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนเป็น ล, มนลิมเป็นลิ่มเป็นลิ่มเลยฮะเป็นก้อนก้อนเลยเป็นลิมลิมลิม ล, มลิมเลยอะไอมเลยอะอ๋อมันทําไมอักเสบหนักขนาดนี้คอเสร็จแล้วก็ใน ต, ตอนฉันข้าเช้าอ่ะ ขณะที่ฉันข้าวก็ไอไอก็เลยหยิบทิชชู่มาปิดแล้วก็ไอ <c oughs> แค่นี้พอเอาทิชชู่ออกมานีแดงเลยเลือดเต็มเลยพระที่ฉันข้าวด้วยกันก็บอกอาจารย์อาจารย์ผมว่าผมว่าจะย์ไปหาหมอผมเห็นพระไอแบบเนี้ยตายมาหลายลายแล้วครับไอแล้วมีเลือดออกแเนี้ยตายมาหลายลายแล้ว <c oughs> เอาละ ครับผมเห็นแบบไอ้ไอแบบเนี้ยตายแล้วอู้ยนี้เนอะอาจารย์เพิ่งไปทางเหนือมาใช่ไหมเนี่ยอใช่ไม่ใช่อาจารย์ไปติดเชื้อแบบนี้ในหลวงได้รับมาหรือที่ในหลวงไปเยี่ยมพวกบนเขาอะแล้วพระองค์ก็ไปติดเชื้อมาแล้ ว, วมันก็เชื้อเขาฝังอยู่ในตัวพระองค์อะเวลาร่างกายอ่อนแอทีไรมันก็แสดงอาการออกมาบอกมันไม่หายเลยนะในหลวงกรักษาไม่หายเอาเถอไปหาหมอเถอะ ว่าแล้วไอท่านเลยเสร็จแล้ววันนั้นก็เลยไปกันไปกับพี่เกือ้อพี่เกื้อแก่าอุตสา่าห์ลางานเก็บวันลาแกเป็นพยาบาลเนาะสะสมวันลาได้สิบวันกบมาเข้าคอร์สเก้าวัน <c oughs> วันแรกก็ต้องพาอาจารย์ไปหาหมอแล้วเสร็จพ่อไปหาหมอ <c oughs> หมอก็เอ็กซเลย์ปอดเจาะเลือดไปไปตรวจซ b บีซเสร็จแล้วป้าบอกวา่าเขาบอกให้บ่ายตอนบ่ายเขามาฟังผลแล้วกันก็เลยไปชันข้าวก็ชันได้ตามปกติไม่มีอะไรนะแต่พอมาฟังผลนะ่ะหมอก็ดูฟิล์มเอ็กซเย์ปกติครับแต่พอดูผลเลือดแอดมิดเลยครับอะอะไรวะ อยู่บอกแอดมิดเอ้ยเราก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบต้องลงหมอ น, นอนเสือขนาดนั้นนะอยู่หมอบอกแอดมิดเลยครับบอกมีอะไรอหรอพี่เกือก็ไลยถามเพราะมีอะไรครับหมอเกจเลือดตกเหลือหกพันห้าเกจเลือดเหลือแค่หกพันห้าเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยให้อาจารย์แอดมิดนอนนิ่งๆบ น, น, นเตียงเลยครับอย่าขยับห้ามขยับด้วยมันอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่า เราก็เลยคิดกับพี่เกลว่าเอ้ยพี่เกลวถ้ามันต้องแอดมิดนี่เราไปแอดมิดที่เชยพรมดีกว่ามั้งที่มันไกลบ้านไกลญาติโยมเร า, เาก็ผ่ากันตัดสินใจกลับระหว่างเดินทางกลับใช่ไหมทางเดินทางกลับแล้วก็เห็นพี่เกลขยิบถามอยู่เลยพระอาจารย์มีอาการผิดปกติอะไรไหมไม่อ่ะเสร็จแล้ว พี่เกืกเขาก็โทรไปหาหมออีกคนหนึ่งหมอแสงดาวที่บุรีรัมย์หมอแสงดาวก็ออสักพักหนึ่งก็าวางสายคุยกันแล้วก็าวางสายไปแต่พอสักพักหมอแสงดาวโทรว่าเกือพี่ดูผิด อ, อ, อะไรผิดคะเมื่อกี้พี่ดูผลเลือดผิดพี่นึกว่าหก0มืนห้าอันนี้มันหกพันห้าเนี่ยตนนี้พระอาจารย์อยู่ไหน อ, อยู่ในรถกำลังเดินทาง ไปยุทธยาเลยแอดมิดอะไกลยังออกเมื่อไกลแล้วออกไปื่ไกลแล้วค่ะถ้ า, างั้นถ้าถึงสระบุรีเข้าสระบุรีฮะมันอะไรวะจะโรงพยาบาลไหนให้เข้าโรงพยาบาล น, นั้นแล้วก็มันอะไรอะพี่เกือก็เก็ดเรื่องมันโตค่ะแล้วยังไงอะแล้วก็ไม่มีคุณเข้าใจไหม อาจารย์ไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาไม่มีความจำได้หมายรู้ว่าไอเก็ดเลือดที่มันตกมันมีผลร้ายยังไงกับร่างกายมันจะมีผลอะไรอาจารย์ไม่มีอาจารย์ก็เลยไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นมันไม่มีข้อมูลที่จะปรุงไปทางร้ายใดๆเขาก็นั่งไปเฉยๆดูลมหายใจดูขยับมือเล่นทั้งเราไปแต่สักพักหนึ่งเนาะเขาก็เอ๊ะทำไมเริ่มมีจุดๆวะ มือจับหัวดูหัวเป็นตุ่มๆขึ้นทีเนี้ยไม่ตุ่มๆตุมๆขึ้นจับดูเลือดตุ่มเลือดขึ้นมาตุ่มเลือดมันออกมาตามเส้นผมอะเข้าใจไหมตุ่มเลือดมันออกมาตามเส้นไอ้ไอ้รากผมอะลูขุมขนอะขึ้นมาเลยอ่ะพอพี่เก้อพีเกื้มันมีตุ่มไหนพี่เกื้หันมามองอุ้ย ขึ้นเต็มหน้าเลยอาจารย์ขึ้นเต็มหน้าเลยเนะี่ยมันออกมาเลยนะก็บอกกางรีบขับรถเร็วเนะลยกางก็รีบขับไปไปถึงสี่คิ้วโทรไปหาหลงวิสุทธโทรไปหาหลวงวิสุทธิ์ไเกื้อโทรคุยกับวิสุทธิ์วิเตรียมเตรียมห้องพักเตรียมหมอที่เชยาภูมิให้พร้อมนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปแอนมิตรอะไรเงี้ยวิสุทก็จัด ก, การไปเคลียร์เรียบร้อยพอไปถึงสี่คิ้วอาจารย์บอกให้สงสัยไปเชยภูมิเนี่ย เขาต้องรีเฟอร์ไปโคราชแน่เลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอเขารีเฟอร์เราเลยไปอินทว่าเราตรงไปใกล้กว่านะขาเขาเข้าโคราดปุ๊บไปถึงปุ๊บเขาก็จิ้มดูดเลือดไปอีกเขาดูดเลือดไปอีกคราวนี้ตกเหลือสามพันจาก6 5 0ันห้าเหลือสามพันแล้วเขาก็ให้เราไปนอนรอรอดูผลรอดูกระบวนการอะไรของเขาก็วางเข้าไปแต่เชื่อไหมว่า ในเวลานั้นเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าใจเราไม่ได้ทุกเลยใจไม่ได้ทุกไปกับอาการเจ็บป่วยเพราะว่าเวทนาทางกายตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากความเจ็บป่วยทางกายก็ไม่ได้แสดงอะไรมากนอกจากความผิดปกติคือมีจุดขึ้นมาเข้าใจไหมมีจุดเราเห็นความเปลี่ยนแปลงทางกายคือการมีจุดแดงๆขึ้นเต็มไปหมดก็ดเห็นคนเขา ผงใสยเป็นไข้เลือดออกอไข้เลือดออกพอบอกว่าไข้เลือดออกอ ม, มันก็เฉยๆไปเนาะพอาเกล็ดเลือดมันตกมันก็เป็นอาการแบบนี้เนะี่ยแล้วก็อืมแต่มันไม่มีมันไม่ ม, ม, ม, มีมันไม่มีความจําได้หมายรู้ใดๆว่าไออาการพวกเนี้ยมันจะส่งผลยังไงกับเราคืนนั้นพี่เกื้อแทบไม่ได้นอน เพราะแกคอยเฝ้าอาจารย์อยู่แก่เฝ้าอาจารย์เพราะว่าแกกลัวก็บอกว่าตอนนั้นนะความดันอาจารย์ตกเลยนะอ๋อตกก็เราก็เข้าใจว่าที่เราดันเราตกเพราะว่าเรานอนเยอะไงเรานอนเยอะไงเข้าใจไหมนอนเยอะมันก็ปวดไปคนดันก็ต้องตกเป็นธรรมดา <laughs> แต่แต่แต่แตคนที่เขามีสัญญาคือใครพี่เกลือ <laughs> พี่เกลือแกเป็นพยาบาลใช่ไหมแค่มีสัญญาว่าเก็เืเลือดมันตกอย่างนี้ความดันมันตกอย่างนี้มันอันตรายยังไงแกก็กลัวมากเลยเตร็จและแต่ในขณะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรไม่ได้เป็นทุกข์กับเรื่องพวกนี้เลยมันไม่มีจริงๆนะมันไม่มีสัญญาที่จะมาปรุงแต่งมันไม่มีกระบวนการใดๆที่จะเกิดขึ้น ให้เรารู้สึกเป็นกังวลกับมันเรอแค่รู้ลมหายใจแค่ขยับมือรู้ตัวเรารู้สึกตัวของเราไปมีความคิดขึ้นมาบ้างแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เป็นทุกข์อะไรทีนี้พอตอนตอนอีกวันหนึ่งต่อมาเพราะแต่คืนนั้นเขาให้เก็ดเลือดเขาให้เก็ดเลือดไปถุงหนึ่งมันขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอพอเก็ดเลือดมันขึ้นเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตกงไปอีกเขาก็เลยสงสัยว่ามันเป็นอะไรทําไมให้เก็ดเลือดไปแล้วมันตกลงเร็วมากเข้าใจไหม เขาให้กิเลือดไปเยอะนะแต่พอมันตกก็ตกหงบลงมาอีกเขาก็ได้งสงสัยมันเป็นอะไรเขาเอาไขกระดูกไปเช็คแล้วกันอาจารย์อาจารย์หมอเขาบอกเอาไขไขกระดูกไปเช็คพอได้ยินว่าไขกระดูกปุ๊บใช่ไหมเราก็ได้ยินเราก็เคยได้ยินหลวงพี่ฝนบอกว่ามันจะเอาเข็มย า, ย า, ยาวๆแทงเข้าไปเนี่ยเราหมุนกึ๊กกึ๊กกึนะแล้วก็ดูดทึกทุกทุกออกมาแต่เราไม่เคยเห็น คุณเข้าใจไหมไม่เคยเห็นว่าเขาทำยังไงไม่เคยเห็นเครื่องไม้เครื่องมือมันเป็นยังไงที่ตอนหมอเขายำมาเจาะเขาบอกอาจารย์ครับนอนคว่ำครับอ่ะแล้วก็นอนคว่ำลงพอนอนคว่ำลงปุ๊บมันเหมือนเขาอะไรบางอย่างมาทาบอ่ะล้วก็เพราะพัศมันโดนใช่ไหมพัศมันใช่ไหมมันหลังกระทบที่หลังเราเราก็รับรู้ว่ามีอะไรกระทบแต่มันก็มองไม่ออกว่ามันคือลักษณะของอะไร แต่ที่รู้ก็คือมันเหมือนมีอะไรจิ้มจิ้มตรงตรงตรงกระโปงเนี่ยตรงใกล้ๆขั้นกรบเลยเนี่ยเข้าใจไหมจนเนี่ยตรเนี้ยจิ้มจึ๊กเข้าไปจิ้มจิ้มแล้วก็ชี้เอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละเงี้ยแล้วก็เข้าใจเขาเขานิ้วนั่นแหละจิ้มเราตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ๋อตรงนี้แหละเออพอได้คําว่าตรงนี้แหละมันก็มีต่อเลยนะสงสัยเขาจะเจาะตรงนี้แหละอืมนะสักพักหนึ่ง หมอเขาก็บอกว่าอาจารย์ครับเดี๋ยวฉีดยาชานะครับเดี๋ยวจะฉีดยาชาพอได้ยินคำว่าฉีดยาชาปั๊บคุณรู้ไหมมาลวเลวยสัญญาความจําได้ใไม่รู้ตอนถอนฟันเ <Okay. S 1> ข้าใจไหมไอ้ตอนถอนฟันต้องฉีดยาชาไหมเขาต้องฉีดที่เหงือกใช่ไหมมันก็มาเลยนะ พอบอกฉีดเดี๋ยฉีดยาชานะครับมันมาเลยภาพเราไปถอนฟันนะเข็มแทงที่เหงือกแทงหลายจุดด้วยมันไม่เป็แค่ภาพอะมันมีเสียงไอหมอถอนฟันโผล่มาด้วยนะหมอบอกว่าเวลาผมแทงเข็มเข้เขาไปเนี่ยผมจะคว้านนิดๆนะครับแล้วถ้ามันไปชนเส้นมันจะจีดเหมือนกับไฟช็อตนะครับอาจารย์ก็จะสะดุ้งนิดนึงอันนั้นเนี่ยผมปล่อยย า, ยานั้นได้ร้อยอะไรเงี้ยเขาก็พูดเข้าไป มันมาหมดเลยนะแล้วมันนานมาแล้วนะมันนานมาแล้วนะไอ้เรื่องถอนฟันของอาจารย์เนี่ยมันน๋ออนมาแล้วแต่พอหมอหมอบอกจะฉีดยาชาปุ๊บมันมาเลยภาพฉีดยาชาตอนถอนฟันแบเนี้ทีนี้เราก็มันก็มันเข้ามาแล้วมัน่าทางานแล้วนะว่าต้องมีการแทงไปหลายจุดแล้วก็ควานไปจนกว่าจะเจอเส้นแล้วก็แทงปล่อยยาเพรามันจะจี๊ดเหมือนกับตอนลิ้ ไฟชอ็อตอะไรเนี่ยมันมาแล้วรัฐ ล, ลาวทีนี้ต่อมามันก็มีผัด ส, สะรับรู้กับอะไรบางอย่างแข็งเข้าไปในเนื้อเราเวทนามีไหมมีสิยาชายังไม่ออกฤทธิอ์อ่ะเขาฉีดยาชาเข้าใจไหมเข็มมันแทงเข้าไปอะ่ะจื๊บเข้าไปแล้วก็รับรู้แล้วก็ตามรู้ก็เวทนาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ต้าน แต่รับรู้ว่ามีอาการเกรงของกล้ามเนื้อตรงนั้นนิดๆเคยสังเกตไหมอาการเกรงตรงนั้นไม่ได้เกิดจากอาการท่านแต่มันเป็นปฏิกิริยารีเฟกของกล้ามเนื้อที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อมีอะไรมากระทบมันใช่ไหมละ่ะมันก็เป็นเครื่องมันเองแล้วก็รับรู้อาการที่กล้ามเนื้อมันเกรงขึ้นนิดเดียวแล้วจากนั้นก็จิ้มตรงนี้แล้วก็จิ้มตรงนี้แล้วก็จิ้มตรงนี้จิ้มไหนที่ เหมือนตอนถอนฟันเอ๊ะทําไมไม่เห็นมันมีเหมือนเหมือนเหมือนไฟช็อตเพราะว่ามันจํามันจํามันจําไปตอนถอนฟันใช่ไว่าต้องมีเหมือนจี้ดเปนไฟช็อตไงเอ๊ะทำไมนี้ไม่เห็นมีไฟช็อตวะมันก็แค่สงสัยเพราะว่ามันเอาตัวนั้นมาแล้วมันก็แทนที่มันจะเห็นเขาจิ้มที่สัโคคตัวเองนะ ใอนเขาจิ้มมันก็คิดภาพไป ไ, ไอ้จิ้มฟันะจิ้มเหงือกแทนมันไม่ได้คิดภาพจิ้มสะโพกนะมันมคิดภาพจิ้มเหงือกแทนในตอนที่มันถอนฟันตรงนูน้นออกเอาเหตุการณ์ตรงนู้นมามาแทนในตอนนี้แล้วก็นั่งแล้วก็นอนนอนนอ น, นอนดูมันไปนะะแล้วเราก็ยิ้มยิ้มเออเหมืองกระสักแต่ว่าเอามาเนาะสักพักหนึ่งฮะเขาก็ มันก็เริ่มมีความรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างแทงเข้าไปในเนื้อเลยทีเนี้ยรับรู้กับผัสสะนั้นฮะว่ามีบางอย่างแทงเข้าไปละแต่มันไม่เจ็บโชคดีตรงเนี้ยตรงที่มันไม่มีเวทนาเข้ามากวนขั้นกลางคือถ้ามันมีความเจ็บปวดเนี่ยมันอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นความอาการแบบนี้ใช่ไหะทีนี้พอมันไม่มีเวทนาเนี่ยมันก็รับรู้กับผัสสะที่บานอย่างแทงเข้าไปในเนื้อเราแล้วก็จุดตึกเนี่ย มันมีอาการเหมือนไม่ชนน่ะเหมือนอด้บางอย่างนั้นมันไม่ชนแข็งๆอ่ะกึศเออเสร็จแล้วพอชนกึกปุ๊บมันก็มีอาการแบบหมุนน่ะคดๆๆๆๆๆนะ่ะตอนนี้หามากเลยฮะจะบอกให้ความที่มันไม่เคยเห็นว่าเขาเจาะเอาไขกระดูกเขาทำอย่างนียังไงรนะแต่มันรู้ว่ามีอะไรแทงเข้าไปแล้วหมุนคึดๆด่ สัญญานะมันเอาอะไรขึ้นมาให้หรู้ป่ะมันเอาตอนอาจารย์เจาะไม้อ่ะเอาสว่านเจาะไม้มันเอาภาพเหตุการณ์เอาสว่านเจาะไม้อ่ะแล้วหมุนคึดคืดคืเข้าใจไหมเออเมืองก็ถักแต่ว่าเอามาจริงๆเนาะคือมันไม่มีสัญญาเรื่องตรงนี้มันมีสัญญาเรื่องตรงนั้นว่าเจาะเจาะเขาเจาะอย่างนี้แหละนะก็หมุนภาพคึดคืดคือยู่สักพักหนึ่ง เขาดูดเนี้ยมันรุดนะก็วันมันรู้สึกเหมือนรุดๆอ่เข้าใจไหมผัสสะมันบอกว่ามันรุดๆรุดๆมันเหมือนเริ่ึดๆเละมันเสียวปัาบตั้งแต่สะโพกไปถึงปลายเท้าเลยเนมันเสียวแว้พุ้นมาเนี่ยแต่มันก็ไม่ไม่เจ็บนะมันมันก็เสียวๆไม่เวทนาให้รับรู้อยู่ก็ทีแต่ไอตอนรุดๆเนี้ยนะมันรู้สึกผัสสะมันบอกว่ามีรุดๆอ่ะ สัญญามันสร้างภาพเลยฮะภาพหลอดดูดดูดรอดช่องนฮะมันเห็นชัดเลยว่ามันมันเอาภาพรอดดูดเนี่ยดูดลอดช่องอะ่ะแล้วตัวรอดช่องวิ่งตามหลอดขึ้นไปอะ่ะ ด, ดๆเข้าใจไหมอาจารย์ก็หเราะคึกคึกเออมึงก็สัตกแต่ว่ากันจริงๆเนาะ ไอหนึ่งก็ส่งข้อมูลให้แบบกูมีแบบนี้แหละอีกตัวหนึ่งก็บอกก็ตามนี้แล้วกันเ <c oughs> ข้าใจไหมสัญญาส่งมาสังขารก็รับช่วงต่อโอเคตามนี้ประมาณนั้นนะเข้าใจไหมไอันนี้ก็บอกกูมีข้อมูลแค่นี้แหละอันนี้บอกก็กูเอาตามนี้แล้วกันก็ปรุงไปเรื่องเวลาของมันแต่เรื่องราวของมัน่คนละเรื่องไอ้ที่เขาทาอยู่เข้าใจไหมมันคนละเรื่องเลยอ่ะมันมันปรุมึ เอาเหตุการณ์เจาะเอาเหตุการณ์ดูดเหมือนกันเจาะเหมือนกันแต่เป็นสว่าคเจาะไหมดูดเหมือนกันดูดรัดช่องเ <c oughs> ออตัวนี้มันมันเห็นชาร์เลยนะแบบเฮ้ยนี่มึงไร้สาละได้ขนาดนี้เลยเหรอวะ <c oughs> คือแบบเราเห็นตรงนั้นแล้วแบบเฮ้ยอะไร呀 นี่คือคกลไกการทำงานของขันที่มันสักแต่ว่าทาแบบมันสักแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเข้าใจหมแล้วมันก็เลยมองมาเห็นว่าแล้วคนที่ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้คนไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็เป็นทุกข์กับเรื่องเหล่านี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ จัญญาความจาได้หมายรู้เข้ามาทำงานสังขารปรุงแต่งต่อกัอเรื่องราวเหล่านั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวมันแค่การทำงานของของสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการต่ตรองไม่มีการตรวจทานเลยว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ ใช่หรือไม่เข้าใจั้ยมันไม่มีการไต่ตรองไม่มีการคัดกรองไม่มีการตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องใช่หรือไม่ด้วยมันมียังไงมันออกมาตามนั้นมันมีอะไรมันก็ออกมาตามนั้นเนี่ยก็เลยบอกเพราะคนที่มีข้อมูลเยอะเนี่ยมันถึงถูกเยอะไงเข้าใจไหม คนที่มีข้อมูลเยอะถึงทุกข์เยอะไงย้อนไปวันแรกไงทําไมอาจารย์ไม่ทุกข์เก็ดเลือดตกถึงสามพันแต่พี่เกื้อมีสัญญาเยอะเพราะแกทํางานไปฉัพยาบาลใช่ไหมโรคไข้ไข้เจ็บแกต้องเจอต้องเห็นต้องรู้จักมันใช่ไหมเออแกถึงทุกข์เพราะว่าข้อมูลเข้ามาเล่นงานไงข้อมูลของแกเป็นข้อมูลจริงใช่ไหมข้อมูลจริง จากโรงพยาบาลจากที่แกดูแลมามันก็มาไงในก็กระถุกแต่อาจารย์ตอนนี้ครั้งแรกมันไม่มีข้อมูลให้ปรุงครั้งที่สองมีข้อมูลให้ปรุงะแต่คนละเรื่องมีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ได้ตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงใช้หรือไม่ใช่สักแต่ว่าเอามาทําอ่ะเข้าใจปะสักแต่ว่าโพลมาจริงๆแล้วกระบวนการนี้อาจารย์ฉันเข้าใจกับมันตั้งแต่ทั้งต่นู่น ก็สมัยพระ อ, อาจารย์รอรอรถโดยสารเพื่อไปสอนหนังสืออ า, าอาจารย์นั่งอยู่หน้านั่งอยู่ที่ออศาลาราลอรถโดยสารที่วัดขอทองที่วัดที่ทํทาม้าไฟหวานนะ่ะเช้าวันนั้นอาจารย์ก็นั่งกดิกนิ้วเนี้ยเนี่ยทำท่าเนี้ไม่ได้ยกมือแซงจังหวะแล้วก็ดิกนิวน้วแค่นี้ซ้ายขวาสลับเล่นไป ในตอนนั้นเนี่ยมันเห็นมันเห็นความคิดความคิดที่เคยเป็นเป็นหนังเวลาเราความคิดมันจะเห็นเป็นเป็นหนังใช่ไหมเป็นวูฟวีใช่ปะ่ะแต่ว่าวันนั้นอาจารย์เห็นเป็นสไลด์เห็นเป็นสไลด์ก็คือมันมาทีละภาพมันมาทีละเฟรม เพื่เข้าใจไหมแต่ถ้าหนังเราจะเห็นเป็นหือสมมุติไปเลยใช่ไหมว่าแต่อันนี้มันมาทีลภาพตึกตึกตึกตึกอะ่ะเราถึงได้เข้าใจความไร้สาระของความคิดไงว่าเฮ้ยความคิดทั้งหมดที่คนเคยหลงเอาถูกเอาผิดหลงยินดียินร้ายเป็นสุขเป็นทุกข์กับมันเนี่ยเพราะคนไม่เคยรู้เท่าทันกระบวนการตอเนี้คนก็เลยมองเห็นมันเป็นตัวเป็นตน มองเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนจริงๆจังๆเลยกลายเป็นเอาถูกเอาผิดยินดียินร้ายกับมันโดยเฉพาะถ้ามันบอกว่านี่คือข้อมูลจริงเข้าใจไหมโดยเฉพาะถ้ามันบอกว่าข้อมูลจริงเมื่อไหร่ก็ความยุติธรรถือมม่มันจะเกิดขึ้นมากเลยวันที่เขาเจาะหลังอาจารย์อเจาะสะโภกอาจารย์เนี่ยข้อมูลที่มันให้มามันเป็นข้อมูลจริงแ t h จริงอีกเรื่องหนึ่ง จริงคือเจาะกระดเจาะไม้เวลาลอดดูดลอดท่องมันขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมเป็นข้อมูลจริงไหมจริงแต่มันไม่ใช่เรื่องตรงนี้เข้าใจไหมมันคนละกาละคนละเทศะแต่มันก็เอามาใส่กันคือมันไม่รู้จะทำภาพยังไงขึ้นมามันก็เอาภาพแบบนี้ขึ้นมาเองเราจะบอกโอ้นี่คือกระบวนการการทำงานของขันที่มันสัตวแล้วว่ามันจะทาโดยที่มันไม่ได้สนใจว่าถูกผิด หรืออย่างไรทั้งนั้นมันไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะคําว่าถูกคําว่าผิดคําว่าดีคำว่าชั่วมันเกิดขึ้นภายหลังจากกระบวนการนี้สร้างขึ้นต่างหากใครควรใส่ความรู้สึกมีเราของเราเป็นเรานี่แหละที่เอาไปใส่แล้วมีสมมุติบรรัญญัติบางอย่างมาบอกว่าคิดแบบนี้ดีคิดแบบนี้ไม่ดีคิดแบบนี้เป็นบาปคิดแบบนี้เ ป, นบบนเป็นบุญเข้าใจไหมมันเข้าไปทีหลังทั้งนั้นแต่เนี่ย ที่เราเห็นเนี่ยมันก่อนการที่จะใส่สมมุติบัญญัติว่าอะไรทั้งนั้นมันเป็นเพียงแขกขันทํางานมันเป็นเพียงแค่ขันทํางานเข้าใจไหมสัญญาขันโผมาเอาเรื่องด่านนี้บางด่านนี้มาสังขารและขันก็ปั่นเป็นเรื่องเป็นราวสร้างเป็นเหตุเป็นการไปเป็นเหตุการณ์เป็นนั่นเป็นนี้ไปงานเนี้ยมันไม่ถูกแม้นจะมีข้อมูลแต่ข้อมูลที่ให้มันคนละกาละคนละเทศะ มันจึงมองเห็นความไร้สาระความไร้สาระความความไม่เป็นไม่เป็นแก่นสารของการปรุงแต่งของสัญญาที่เข้ามาทำงานของสังขารที่มันทำงานเห็นเป็นเพียงการทำหน้าที่ของขันที่มันทำงานในขณะนั้นความรู้สึกของเราเราไม่ได้เข้าไปเป็นกับการปรุงแต่งเหล่านั้นเราไม่ได้เข้าไปเป็นกับสัญญาที่เข้ามาทำงานเราไม่ได้เข้าไปเป็นกับสังขารที่เข้ามาทางาน เป็นเพียงภาวะผู้ดูเป็นผู้ดูดูมันทาเข้าใจไหมเราดูมันทาอาจารย์บอกโชคดีตรงที่มันไม่มีเวทนาเข้ามาเป็นตัวแทรกถ้ามีเวทนาเข้ามาเป็นตัวแทรกเนี่ยก็ไม่แน่ใช่ก็ไม่แน่มันอาจจะมีกระบวนการกระสะดุดกับการดูแคได้เพราะเวทนามันจะมัมะมกมักจะมีความดึงดูดพอสมควร ใช่ไหมต่อไปใครจะผ่าตัดนะบอกหมอว่าฉีดยาก็พอนะลองดูกับมันไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าต้องฉีดยาสลบหรอกไม่ต้องให้ยาสลบว่าฉีดยาชาฉีดยาชาดูแล้วเราดูมันว่าอันไม่เจ็บจะดูใจเราพยายามสร้างเรื่องให้มันเจ็บอะเราม่ใชากันตรงนี้แหละเพรามันถึงขั้นี่สที่นี้หนึ่งอาทิตย์อาจารย์ก็อยู่ในโรงพยาบาล อ่านไปเกตเลือดก็ขึ้นมาสองแสนกว่าหมอก็บอกโอเคครับปลอดภัยแล้วครับกลับบ้านเรากลับบ้านกลับมาอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งท้องเสียพอท้องเสียใช่ไหมพอเริ่มถ่ายครั้งที่สองครั้งที่สามติดกันละท้องเริ่มปั่นป่วนบ่งบอกถึงอาการเริ่มมีกระ บ, บทการที่ต้องขับของเสียออกอย่างแรงอาการนี้มันเกิดขึ้น สัญญามันบอ ก, บอกว่าเฮ้ย hey, นี่เราท้องเสียบอกท้องเสียปั๊บค้านี้มาเลยข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงหนึ่งสัปดาห์ที่อยู่ในโรงพยาบาลหมอบอกว่าถ้าโรคพ้าอาจารย์นะมันจะเป็นลักษณะถ้าร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามีเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บนี่ร่างกายอาจารย์จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมามาจัดการกับเชื้อโรคพวกนี้ มันจะสร้างคุ้มภูมกันมาจัดการชโลงพวกนี้เสร็จแล้วมันจะเลยมาจัดการกเกล็ดเลือดอาจารย์ต่อเกล็ดเลือดอาจารย์ก็จะตกตกแล้วก็อันตรายมากครับถ้ามันลงถึงสามพันเลือดซึมออกในสมองตายเลยครับผ่าตัดก็ไม่ได้อาจารย์ล้มทีเดียวนี่ตายเลยล้มตายเลยอะไรเงี้ยคือมากันเยอะเลยข้อมูลพี่เกลือก็ให้หมอก็ให้โนอนนี่เนาะปุ๊บก็ส่งข้อมูลมาให้อ่านแล้วก็อ่านอ่านโอโ้โหโลกนี้ไม่ธรรมดานะนี่ ร้านหนึ่งมีแคส่สองสองไอ้ยี่สิบคนอะไรประมาณเนี้เรานี่เป็นคนไม่ธรรมดาคือแบบว่าข้อมูลมายอมากเชื่อไหมว่าไอตอนบอกท้องเสียปุ๊บอะพอรู้ว่าท้องเสียเท่านั้นแหละมันมาเลยนะข้อมูลนี้หลั่งไหลมาเป็นแบบสายน้ําเลยนะไหลมาไม่หยุดเลยนะฟบฟบฟบฟบรู้เลยอ่ะ ถ้าคนไม่มีความรู้สึกตัวคนไม่เคยฝึกความรู้สึกตัวคนไม่เคยไม่ได้ตั้งสติดีๆนะดู้โดนมันน็อกเลยมันมาแบบถังโถมขนาดนั้นนะมิดิ้นตายเลยเข้าใจไหมต้องทุรนทุรายใจตายแน่ๆเพราะว่ามันมากันแบบเยอะมากแต่งานนี้อาจารย์นั่งดูมันอาจารยนั่งอยู่ที่เตียงเห็นมันมาเลยในขนาดเดียวเรากาหนดเราก็กำหนดความรู้สึกตัวของเราไว้ ไม่ได้ขัดไม่ได้สกัดกั้นความคิดแล้วก็ไม่ได้กดข่มความเจ็บปวดทางกายพอรู้ว่ามันปวดต้องการถ่ายเรากําหนดรู้ทุกกายเข้าใจไหมทุกคือสิ่งที่ต้องกําหนดรู้เพราะฉะนั้นทุกกายตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วกําหนดรู้ทําไงจ๊ะบําบัดแล้วก็เดินเข้าห้องน้ําก็ไปถ่ายไม่มีสักนิดว่าต้องกินยาหยุดถ่ายไม่ ในร่างกายต้องการถ่ายเราก็จะถ่ายออกจากนั้นก็ต้มน้ำแล้วก็ต้มน้ำให้สะอาดใส่เกลือแร่เข้าไปแล้วก็กินน้ำสะอาดก็เกลือแร่ชดเชยไว้เฮ้ยจะไปถ่ายไปถ่าย <c oughs> ในระหว่างนั้นเนี่ยข้อมูลที่หมอให้มามันก็ย้ำย้ำย้ำเข้ามาเนี่ยเก็ืเลือดต้องตกแน่โน่นนี่นี่นั่นนะเนี่ยร่างกายมันกำลัง พอมันมีเชื้อโรคเข้าไปเสียงหมอมาเลยนะเชื้อโรคเข้าไปร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันมาจัดการเชื้อโรคแล้วมันก็จะเลยกัดกินเกล็ดเลือดเราเกล็ดเลือดก็จะตกลงไปเนี่ยไม่รู้ตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ว้าของมันไปแล้วก็เขาใจไหมเออเห็นชาดเลยว่ามันเห็นแค่วูดบุ่งวาหมายวูดบุ่งว่าหมายวูบุ่งว่าใครวะ มันเหมือนยิงพูอ่ะ ว, วตุมแล้วก็หายไปวิตุ่มวหานนั่นคือความคิดที่มันเกิดขึ้นในแต่ละเรื่องที่เข้ามาแต่เข้ามาถีมากถี่ริงจริงและจะเห็นมันและจะนมองมันไปคืนนั้นทั้งคืนถ่ายทั้งคืน <laughs> ถ่ายจนหมดแรงนะถ่ายจนหมดแรงแต่ถามว่าทุกไหมยืนยันไม่ทุกแต่กายทุกไหมทุกกายมัน กายมันต้องบําบัดทุกข์ใช่ไหมก็บำบัดไปขนาะดนี้มันก็หมดแรงก็หมดแรงก็เห็นอาการทุกข์ของกายซึ่งตรงนี้มันต้องใช้คนอื่นช่วยละเข้าใจไหมเราเราเราเราจัดการตัว น, นี้ไม่ได้ละพอเช้าแล้วก็เชา้าพวกอาจารย์ก็เดินอตามป ก, กติไปเรียกเจ้ากลางกลางพาอาจารย์ไปหาหมอไปโรงพยาบาลเอา้าอาจารย์เป็นอะไรท้องเสียเอา้าอาจารย์หมอบอกไม่ใช่หรือครับว่าท้องเสียมันจะอันตรายหรืออาจารย์ มีเชื้อโรคเข้าร่างกายอันตรายแนะ่มันมาแล้วไอ้นี่ก็ได้ข้อมูลมาเหมือนกันมันก็ปรุงไปเหมือนกันเนยลยเขาบอเออรู้แล้วแต่ว่าเมื่อคืนมันพอยอยู่ได้เหยู่ไปตอนเนี้ยเป็นเวลาที่คนเขาทางานกันแล้วเมื่อคืนไม่ใช่เวลาคนเขาทางานไปเออแล้วก็ไปหาหมอนตกอีกเหลืออยู่เท่าไหร่อ่ะฮเออตกลงมาแล้วเจ็ดหมื่นห้าหรืเนี่ยลงมาอีกจากสองแสนกว่านะ ลงมาอีกก็เข้าโรงพยาบาลอีกหนึ่งอาทิตย์เข้านอนโรงพยาบาลอีกหนึ่งอาทิตย์วนเวียนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยกรลงพยาบาลที่เรามาจะเห็นเด้ว่ามันมีสามระดับสามขั้นตอนขั้นตอนแรกที่มันไม่ทุกมันไม่มีสัญญาที่จะปรุงกระบวนการปรุงแต่งมันจึงไม่เกิดขึ้นมันก็เลยไม่ทุก ขั้นตอนที่สองมันมีกระบวนการปรุงมีการทำงานของสัญญาสังขารแต่มันเป็นการทำงานที่สักแต่ว่าไม่ได้ถูกกาละไม่ได้ถูกเทสะเข้าใจไหมมันก็เห็นความไร้สารละของสิ่งนี้มันก็เลยไม่ถูกขั้นที่สามแม้สัญญาและสังขาร น, นั้นมาจะทำด้วยข้อมูลจริง จากหมอจากนั้นจากนี้แล้วก็เอาประสบการณ์ที่ตัวเองเคยป่วยเข้ามาใส่เลยนะมันเอาภาพเหตุการณ์ที่ตัวเองป่วยเนี่ยเข้ามาเลยนะว่าต้องมีจุดนั่นขึ้นต้องมีนั่นมีนี่เนี่ยคือมันมาหมดเลยข้อมูลที่หมอให้ไม่พอประสบการณ์ที่เราเจอเข้าใจไหมมันมาหมดในครั้งที่สามแต่มันเป็นเพียงอาการที่มันเข้ามาทํางานแล้วก็แล้วไปเข้ามาทํางานแล้วก็แล้วไปโดยที่ เราไม่ได้เข้าไปเป็นกับมันเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องเข้าไปเป็นกับมันเลยมันก็เป็นเพียงแค่คกลไกการทำงานบางอย่างและสิ่งที่มันเอามาเนี่ยมันคือข้อมูลอดีตทั้งนั้นน่ะเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องราวของอดีตทั้งนั้นเลยที่เอามาจัดการว่าทำโ น, น่นนี่นี่นั่นมันคืออดีตทั้งนั้นเนี่ยโดยโยงอะไรโยงกับ ตัวปัจจุบันคือความเจ็บป่วยตัวตัวปัจจุบันคือความเจ็บป่วยทางกายที่ปรากฏคือท้องเสียแต่มันปรุงทั้งหมดคืออดีตล้วนๆเข้าใจไห ม, มทีนี้พวกเราเข้าใจอย่างทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัญญาแผ่ว่าความจำได้หมายรู้ คำว่าจำได้แปลว่ามันจบไปหรือยังจําได้คือเรื่องอดีตทั้งนั้นเนี่ยใช่หรือไม่ทีนี้ลองย้อน ม, มาดูว่าทําไมอาจารย์ถึงมองว่าทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าต่อให้มันปรุงสัญญาเข้ามาทํางานสังขาร ม, มาทํางานทําไมอาจารย์ไม่เป็นทุกข์กับมันอ่ะเพราะมันเข้าใจความจริงไปแล้วอ่ะนั่นหมายความว่าที่คนเรามันทุกทุกวันเนี่ยกับความคิดเนี่ยมันทุกข์กับอดีตทั้งนั้นน่ะ ไม่ได้ทุกขกับปัจจุบันปัจจุบันเจอเรื่องบางเรื่องจริงแต่ที่พากูทุกข์อยู่เนี่ยกู ค, คิดเรื่องอดีตทั้งนั้นเน่ยที่หล่อเลี้ยงใจให้จมผักอยู่เนี่ยจริงไม่จริ ง, รงเนาะใช่ไหอสมมุติเจอแฟนด่าคำหนึ่งปั๊บทุกข์ทุกกับคําด่าของแฟนตรงนี้ไหมไม่คราวที่แล้วก็ด่ากูทีนึงแล้วเดี๋ยวนี้มันด่ากูบ่อยมากเลยอะ เดี๋ยวนี้ด่ากูบ่อยมากเลยนะเห็นไ้มเริ่มขังโนนขังโนนขางโนนเอ๊ะหรือมันหมดรักเราแล้วนั่นทั้งหมดทั้งสิน้นคิดเอาทั้งนั้นเลยมันปรุงทั้งนั้นน่ะพงอดีตทั้งนั้นน่ะใช่ปะ่ะแล้วเราก็มาทุกข์กับมันเนี่ยคือคือถ้ามันไม่มีความรู้สึกตัวเห็นคอยสังเกตการแบบบ่อยๆอย่างนี้นะมันจะมองไม่ออกนะ เอ้แต่พอเราฝึกไปฝึกมาเราดูของมันเร า, เราดูมันไปเรื่อยเราเห็นมันไปเรื่อยวันนี้คือประสิทธิภาพของความรู้สึกตัวที่มันสอนมันสอนให้เราได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้แล้ววันหนึ่งอะ่ะบทมันทํางานจริงๆแข็งจังก็คือมันพาเราออกจากความเป็นทุกข์อะมันพาเราออกจากความเข้าไปเป็นกับสิ่งเหล่านั้นเห็นเป็นผู้เห็นในเนี้ยไม่ใช่เป็นผู้เป็น นะที่เกียรติจะพูดคําว่ามีภาวะผู้ ด, ดูเนะี่ยเดี๋ยวมันจะมีพวกบางพวกกบบ็บอกเป็นภาวะผู้ดูก็ยังไม่ใช่จ้ากูไม่รู้ให้ ค, คําพูดอะไรดีภาษา ม, มันมีอยู่แค่นี้เข้าใจความหมายไหมในเมื่อรูปภาษา ม, มันใช้ได้แค่นี้ก็ต้องใช้เทา่านี้นะกูไม่อยากเถียงกับพวกมึงอะไรเงี้ยเคเห็นไหม มีภาวะผู้รู้ก็ยังมีภาวะยังเป็ น, ปนยังเป็นนะจ้าเอาเป็นนะใช้คําพูดแบบสมมุติโลกชายก็คือมันมีแต่ภาวะความเป็นผู้ดูดูมันเฉยเฉยแค่รู้หูซื่อซื่อนี่แบบหลวงพ่อว่าเนี่ยหูซื่อซื่อซื่อซื่อนี่รู้กับมันเฉยเฉยเนี่ยเข้าใจไหม มันเป็นภาวะรู้เฉยๆที่เห็นกระบวนการเหล่านี้ทางานเวทนาขึ้นมาทำงานก็รับรู้แล้วก็แล้วไปกายแสดงอาการก็รับรู้ก็แล้วไปจิตออกมาในรูปของสัญญาขันขึ้นมาทำงานกันแล้วไปสังขารละขันเข้ามาทางานก็แล้วไปเราเห็นเป็นเพียงการทำงานการทำงานของสิ่งนี้แต่ไม่ได้มีผู้เข้าไปเป็นกับสิ่งเหล่านั้นโอ้คิดถึงหลวงพ่อเลยอะ ทีต่ตอนหลวงพ่อป่วยแล้วหลวงพ่อบอกว่าสนุกป่วยเราคิดถึงคำพูดนี้ของหลวงพ่อเลยว่าอ๋อทำไมหลวงพ่อบอกสนุกป่วยนี่เองหลวงพ่อต้องการ ส, สื่อออกมาให้คนได้เห็นว่าในความเจ็บป่วยนั้นหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่เข้าไปเป็นกับมันเนี่ยมันเป็นละครให้เราดู มันเป็นมันเป็นละครเป็นอะไรก็ได้ที่ right. แสดงให้เราเห็นแต่เราไม่ได้เข้าไปเล่นไม่ได้เข้าไปเป็นกับมันเลยเห็นเห็นไม่ใช่ไม่เห็นนะไม่ได้สกัดกั้นไม่ได้บีบบังคับไม่ได้อดกดข่มใดๆทั้งนั้นคิดก็รู้ว่ามันคิดสัญญาเข้ามาทำงานเห็นสังขารเข้ามาทางานเห็นเวทนาเข้ามาทำงานเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นมันตะเพิดเห็นมันตะพิดรู้มันตะพิดไปเรื่อยอย่างหมวงว่าจริงๆเนี่ย ถึงได้เข้าใจว่าโอ้ประสิทธิภาพของความรู้สึกตัวเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ความเข้าถึงแห่งการไม่ทุกข์มันไม่ใช่การไปอยู่เมืองอื่นไม่ได้อยู่หลังตายลทัทธิหลังตายเป็นลทัทธิก่อนพุทธศาสนาจะเกิดตายแล้วไปนิพพานเนี่ยเ ป, เ, ปเป็นเรื่องของคำพูดของคนคนพูดลทัทธิหลังความตาย เพราะภาวะที่พระเจ้าต้องการให้เราเจอคือภาวะความไม่ทุกข์แม้ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่มันไม่ได้อยู่นอกเหนือจากกายและใจของเราเลยเพราะเวลาเราทุกข์เราทุกข์ที่ไหนที่กายที่ใจเพราะถ้าเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่ทุกข์ที่ไหนที่อาการของกายของใจเข้าใจไหม ความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะมีอาการของกายของใจเพราะฉะนั้นข้าเราจะไม่ทุกข์ก็ต้องไม่ทุกข์ที่อาการของกายของใจมันไม่ใช่ไม่ทุกข์เพราะไปเข้าเมืองนิพพานไม่ใช่ไม่ทุกข์เพราะตายแล้วจะไปนิพพานถ้าอย่างนั้นถ้าพูดว่าหลังตายแล้วจะได้ไปคุณค่าพุทธศาสนาตกเลยจริงทำให้คุณค่าพุทธศาสนาตกลงเลยนะ ถ้าตายแล้วไปได้ผลน่ะไปได้ผลหลังตายอ่ะเพราะอยงั้นมันถ้าไปได้ผลหลังตายนะมันไม่ต่างกับศาสนาอื่นเพราะศาสนาอื่นก็พูดหลังความตายทั้งนั้นแหละถ้าศรัทธาในพระเจ้าตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าใช่ไหมใช่ป่างหรือรอคำรอวันพิพากษาก่อนเนยซ้ำจะได้ไปอยู่อีกแห่งหาาใช่บ่าอของพุทธไม่ใช่ไม่ต้องรออย่างนั้น ศา ส, สน า, าพราหมณ์ก็เหมือนกันตายแล้วทำบุญแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาไม่ใช่ของคุดเราเนี่ยเราสามารถไม่ทุกข์ในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ทุกข์ในขณะที่ทุกอย่างยังดำเนินไปเป็นปกติเพราะในวันที่หลวงพ่อเขียนป่วยหนักครับอาจารย์ถามหลวงพ่อครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ยังทำงานตามปกติใช่ไหมครับหลวงพ่อบอกใช่แต่มันไม่มีทุกมันไม่มีผู้เข้าไปเป็นทุกข์กับอาการเหล่านั้นเพราะั้นเราจึงเข้าใจไหมในลาละสวดอะสังขิตเตนะบัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยด ย, ดย่ออุปทานในขันห้านั่นแหละจึงเป็นทุกข์พะมีอุปทานในการทำงานของขันห้า เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นขันห้าทำงานตามที่มันเป็นตามที่มันสัาธรรมแาแล้ว <g ười> ตามที่มันสักธรรมเนี่ยนะเราจะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราจะเห็นว่ามันก็ทำของมันอย่างนั้นตรงตรงซื่อซือใสใสจริงกายเวทนาจิตธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันทำงานตรงตรงซื่อซือใสใส มันมีอะไรมันทำตามนั้นมันเคยทำยังไงมันทำตามนั้นเราต่างหากที่เผลอไปลองรับเอาเองกายมันงอกผมมันจะงอกมันก็งอกของมันกายมันจะป่วยมันก็ป่วยของมันมันจะเจ็บมันจะอะไรมันก็เป็นของมันซื่อๆใสๆตรงๆหิวมันก็บอกว่าหิวใช่ไหมใช่ไหมหิวมันก็บอกว่าหิวนะเมื่อยมันก็บอกว่าเมื่อย ไม่สบายก็บอกไม่สบายนะใช่ปะ่ะใจของเราต่างหากที่ไปบิดเบี้ยนไปบิดเบือ น, นไปนู่นไปนี่เน้ยนั่นนี่นบ่ว่มีสมมุติบัญญัติมีสัญญามีอะไรบางอย่างที่บอกว่าเราจะต้องอดทนอดกัน้นเราจะต้องไม่แสดงอาการแบบนั้นแบบนี้ต้องไหมซึ่งซึ่งมันมีอิทธิพลต่อเรา แล้วก็ทำให้เราบิดเบือนและไม่ยอมรับปฏิเสธกับการแสดงออกของรูปที่แสดงอาการของมันเวทนาแสดงอาการของมันสัญญาแสดงอาการของมันสังขารแสดงอาการของมันวิญญาณแสดงของมันทุกอย่างมันทำของมันหมดแต่เพราะเราเผลอยินดียินลายเอาความยินดียินลายเอาความพอใจความไม่พอใจของเรานี่แหละเข้าไป รองรับกับการทำงานของขันเราจึงถือว่านั่นแหละคืออาการมีอุปทานในขันมันจึงเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเห็นขันมันทำงานอย่างที่มันเป็นเราจะเห็นความไม่เป็นแก่นสารไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์เลยมันไม่ใช่เลยที่เราจะไปทุกข์กับมันเพราะเพราะมันก็ททำของมันอย่างนั้น มันไม่ได้สนใจด้วยว่าเราเราจะรู้เรื่องกับมันหรือไม่รู้เรื่องกับมันมันเป็ น, นกลไกทำงานโดยอัตโนมัติของมันเองอย่างที่อาจารย์บอกว่าพอมีอาการหมุนกึดๆมันก็ส่งภาพสว่านเจาะไม้มาเนี่ยพอดูดจื ด, ดมันก็ส่งภาพรวดท่องถูกดูดเข้าไปในหลอด <c oughs> เขาเ้าใจไหมหลอดดูดอย่างเงี้ยซึ่งมันคนละเรื่องเลย เขาบอกจะฉีดยาชาเงี้ยมันก็ภาพนู่นฉีดยาชาที่เหงือกแม้แต่ก็ฉีดก้นมันอยู่มันยังภาพเหงือกมาโผล่คิดดูก็เพราะมันไม่เคยเห็นภาพตัวเองฉีดถูกฉีดก้นเข้าใจไหมเออมันก็คิดคดเรื่ภาพมันเห็นเนี่ยหมอก็เลแคงเข็มมาแล้วเห็นเนี่ยเข้าใจไหมตอนหมอจะแทงเหงือกเราอ่ะมันเห็นนะใช่ปะมันเห็นมันก็จําภาพนี้มา ฉีดยาชาพวกภาพนี้ก็โผล่เลยมาทั้งหน้าเนี่ยมาทั้งเข็มเนี่ยจิ้มทั้งนั้นจิ้มทั้งนี้นีจน่จิตจิตจิตเนี่ก็ฉีดก้นแต่มันเอาภาพเหงือกมาแทนที่ที่ทอยู่ในเหงือกเนี่ยมันตลกมากเลยอะ่ะกระทังบอกไงมันไล่สาระมากเลยกับการทาํางานมันสักแต่ว่าลองตั้งใจดูดีๆมานะตั้งใจปฏิบัติไปแล้วสังเกตไปเรื่อยๆนะตั้งใจปฏิบัติดีๆแล้วสังเกตเรามานะัน คุณจะเริ่มคุณจะเริ่มสนุกกับการปฏิบัติกันตรงนี้แหละแล้วคุณจะเริ่มบอกกูบ้าเขาท่ามันนะนี้นี่บ้าเขาท่านเลยเนี่ยบ้าเขาท่านเลยคือคือจริงๆถ้านั่งมองดูไปเรื่อยๆบอกเฮ้ยความบ้าเขาท่านของเราคือเราไปเผิ่บบ้ากับมันนี่แหละเมื่อคุณเจอถึงที่สุดแห่งความโง่คุณจะถึงความฉลาดที่สุดจริงถึงที่สุดถึงความโง่นะคุณจะถึงความฉลาดที่สุด เพราะว่าถึงที่สุดถึงความก็คือกูหลงไปยึดมันได้ยังไงวะหลงไปยึดถูกผกิดขับมันได้งไงวะเนี่ยเนี่ยเข้าใจไหมจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องต้องไปยึดมั่นถือมั่นเอาถูกเอาผิดอะ่ะแต่ทำไมเราเผลอไปไปมีอะไรถูกผิดอะไรกับพวกเหล่านี้อน่่งนะถ้านเราจะรู้เลยว่าชีวิตเราอะ่ะที่เป็นทุกข์อ่ะเป็นทุกข์ก็เรื่องไร้สาระทั้งนั้นเลย เรื่องที่ไม่ได้มีจุดจริงเป็นเรื่องที่เราคิดทั้งนั้นนะเป็นเรื่องที่มันคิดดใช่ครับว่ามันคิดไม่ใช่เราคิด <c oughs> มันคิดแล้วเราไม่รู้ทันมันเราก็เลยเผลอเป็นทุกข์ไปกับมันนะแต่ถ้าเรารู้ทันมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่า นี่แหละอยากจะบอกพวกเราว่าความรู้สึกตัวที่จะที่เราฝึกอยู่เนี่ยมันให้ผลอยู่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจมันให้ผลอยู่นะจงภูมิใจเถอะที่เราได้มาเรียนรู้สิ่งเหล่า น, นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มต้นเนาะฟังนี้แล้วเราสึก รู้สึกยากเกินไปไหมยากเกินไปไหมเนาะมันมันไม่น่าจะแบบมันไม่ได้มหสัจจันท์พันลึกอะไรนะมันไม่ได้อยู่สุดลาฟ้าเขียวมันไม่อยู่ฟากฟ้าหิมะผานมันไม่ต้องแบบโอ้โหะจญภัยทะลุมิติอะไรแบบดินถล่มฟ้าทลายอะไรทั้งนั้นนะ่ะ มันแค่พลิกกระบวนการนิดนึงแล้วเห็นกระบวนการเรนั้นถอนออกมาเห็นกระบวนการเรนนั้นเข้าใจความจริงนั้นแล้วก็จบกับมันเข้าใจไหมเออมันมันไม่ใช่สิ่งเกินกําลังได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตัดสินใจสอนเนี่ยเพราะพระองค์รู้ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ถึงได้เข้าใจได้แล้วเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายกว่าที่พวก ฤอษีทาอีกที่พวกฤๅษีทั้งหลายทะคนยกย่องว่ายากเพราะคนมีแนวโนม้มเชื่อเรื่องอัตตากิรมาฏฐา น, นโยคคือเชื่อเรื่องการทรมานกายว่ามันทำได้ยากแน่นอนมันทำได้ยากคนก็เลยเข้าใจว่าการเขาถึงทรมันต้องยากเพราะทรมานกายมันยากเข้าใจไหมแต่พิธีการของพระเจ้าไม่ใช่การทรมานกาย เป็นการปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ให้มาสังเกตกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่กายที่ใจเปลี่ยนแค่นี้เองเปลี่ยนมาแค่ น, น, คนี้แค่มาเป็นผู้สังเกตอาการของกายของใจเท่านี้เองเนี่ยเข้าใจไหมมันไม่ได้ยากขนาะดที่ต้องแบบทากันแบบนั่น มันยากที่สุดคือทําเข้าใจให้ถูกต้องนี่แหละมันยากที่สุดคือทำทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าต้องทําอะไรยังไงเนี่ยเพราะมันหนามากคําว่าหนาคือมันถูกมันถูกสมมุติบัรจัดอัดไว้นหนามากอัดไว้นหนาจนกระทั่งแบบมันมันทำให้เรารู้สึกว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องยากมากเลย มันอัดแว้แน่นหนาเหลือเกินไม่รู้นะความรู้สึกของอาจารย์ว่านี่คือการทำร้ายพระาศาสนาพอสมควรนะด้วยศรัทธาแบบนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจต้องสังเกตดูสิทำไมเวลาพระพุทธเจ้าพูดธรรมะปุบ๊บพระองค์ชี้วิธีการให้ปับ๊บแน่นิดเดียวปุ๊บทำไมเขาเข้าใจแล้วเขาบัลรู้ทำเราก็บอกก็เขาเกิดทันพระพุทธเจ้า ไปอ่านที่พระเจ้าพูดิมันมีอะไรที่ซับซ้อนไหมเราอ่านเรายังเข้าใจเลยว่าพระองค์ให้ทำอะไรแต่ทำไมเราไม่ทำแล้วก็บอกว่าเขาเขามีวาสนาเกิดทันเขาก็เลยแบบว่าฟังพับเข้าใจปุ๊บเขาเข้าใจในเข้าใจก็ไอคาพูดเดียวกันนั่นนะ่ะแล้วทำไมเราไม่เข้าใจ ทืานนะจีเพราะว่าเราถูกถูกอัดไว้หนามากอัดหนาจนแน่นปึกจนปึกไปเลยอัดไว้หนาจนเป็นปุถุชนคนนั่นหนายังเป็นปึกอยู่มนจะกปึกวะปึกคือมันหนามากคือชุดความรู้องค์ความรู้ สิ่งได้ยินได้ฟังมาเยอะมากซะจนมันมันปิดกันก้นกระบวนการที่เราจะไปเห็นของจริงไอ้ที่ต้องทําลายออกคือทาลายไอ้องความรู้พวกนี้แหละทิ้งให้หมดจริงที่ต้องทำลายก็ทําลายความรู้พวกนี้ยทิ้งให้หมดแล้วเอาใจที่มันซื่อๆเสยๆเนี่ยเข้าไปสังเกตอาการต่างๆอย่างที่มันเป็นจริงๆตรงๆเ น, นี่ยอันเนี้ย จะเข้าใกล้คําสับวิญญาณเจ้ามากกว่าเยอะเลยอกลายเป็นว่าเคยดิมนะรู้มากจะยากนานนะรู้น้อยพลอยลำคาลบางคนบอกอาจารย์รู้เยอะจังอาจารย์ไม่ได้รู้เยอะอาจารย์รู้สิ่งที่ควรรู้แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้จําเก่งอาจารย์จํำเฉพาะสิ่งที่จะใช้อ่าจริงๆ ไม่ได้รู้เยอะนะรู้เท่าที่ควรรู้และจำได้ในสิ่งที่ควรใช้ที่ต้องใช้ถ้านอกนั้นก็อาจจะจำไม่ได้เนาะเข้าใจไหมอืมไม่ต้องไปรู้เยอะหรอกธรรมะรู้สึกตัวก็พอที่มีปัญหาคือมันไม่รู้สึกตัวทั้งนั้นเอาเมือวางข้าเขา อ๋อยังไงดีแยกกลุ่มไหมไหนใครยังไม่เคยเจอพระอาจารย์ยมือขึ้นใหบอกยี่สิบนี่บอกยี่สิบไ อ, อ้ยี่สิบเนี่ยคือคนที่เคยเจอกันหรือเปล่า แล้เรามาเริ่มกันเนาะติวเข้มกันแบบความความกันก็นได้คนเก่าเขาไม่เป็นไรเนะเรียนกันไปเนาะเรียนกี่รอบกี่รอบไ็ยังรู้สึกว่า <c oughs> มันได้ความรู้เพิ่มเติมไหมไม่เรียนเรื่องเดิมอาจารย์ก็สอนเรื่องเดิมนะเชื่อไหมอาจารย์สอนเรื่องเดิมนะอาจาย์ไม่เคยสอนเรื่องอื่นเนะ่สอนก็เรื่องเดิมพูดก็เรื่องเดิมเดิม แต่เชื่อไหมว่าคนที่ฟังเดิมๆซ้าๆอ่ะเขาจะบอกว่าเขารู้สึกเขาเข้าใจมากขึ้นเรื่องเดิมที่อาจารย์พูดนั่นแหละทำไมถึงเข้าใจเพิ่มขึ้นรู้ไหมเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีประสบการณ์รองรับกับสิ่งที่พระ อ, อาจารย์สอนอาจารย์พูดมาแล้วมันก็เลยแบบ เข้าใจตามนั้นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าฟังไปแต่ยังไม่มีประสบการณ์รองรับนะมันก็ยังไม่เอะเหมือนกับที่อาจารย์ได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องสนุกป่วยอะ่ะเข้าใจไหมที่อาจารย์ได้ยินหลวงพ่อพูดว่าสนุกป่วยถามว่าตอนนั้นอาจารย์เข้าใจไหมอาจารย์เข้าใจคําพูดแต่ยังไม่เข้าถึงสิ่งที่หลวงพ่อหมายถึงเข้าใจานะ ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์เราจะเข้าใจสิ่งที่ท่านพูดชัดขึ้นทันทีว่าอ๋อย่างนี้เองที่ท่านดำเนินไปถึงพูดอย่างนั้นเหมือนหลวงพ่อใช้คาว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมอย่างเงี้ยดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมมันคืออะไรพอเราแยกกายแยกจิตเป็นอ๋อนี่เองเราอาศัยระลึก ร, รู้กายขณะในขณะนั้นกันเราก็เห็นจิตแสดงออกมาในรูปของความคิด อ๋รพอเรารู้ทันความคิดเห็นกระบวนการคิดจริงเห็นสภาวะธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเข้าใจอย่างนี้เห็นกับเ ข, เข้าใจกับเข้าถึงแล้วก็พัฒนา <c oughs> คุณคุณ้นไหมคเนี้ใช่ไหมเข้าใจเข้าถึงพัฒนาใครพูดในหลวงรัชการที่เก้าพูด แปลว่าพระองค์ไมไ่ไม่ได้พูดเฉยเฉยพระองค์พูดลําดับขั้นของสภาวธรรมเลยนะเมื่อเข้าใจและให้เข้าถึงพอเขาถึงแล้วก็พัฒนามันต่อเพื่อเป็นวิหารธรรมต่อไปเนาะอ่ะเดี๋ยวพระอาจารย์ให้พี่ตุ้ยมาสอนดีกว่าพี่ตุ้ยมาถ่ายรูปกันก็ได้ถ่ายรูปกันก็นได้เสร็จแลู้ปนึงเดี๋ยวให้พี่ตุ้ยพาพวกเราเข้าสู่เรื่องการ วางพื้นฐานเนี่เสมอเสมอกันก่อนเนาะอาจารย์ขออนุ ญ, ญาตไปบำบัดทุกกันทุกต้องบำบัดหนะ้าทุกกายอาวิทย์้ยไมเนาะก็เหมือนที่พระอาจารย์พูดไว้ที่บอกว่าที่พากันทำมามันยากเหลือเกินแต่เราก็กลับมีแนวโน้ม เชื่อในะสิ่งที่ยากใช่หรือไม่ว่าอยอยากๆนี่แหละมันจะพาไปเข้าใจอะไรบางอย่างแต่เรากลับลืมย้อนมามองดูสิ่งที่มันง่ายกว่าคือเรื่องตัวเราเนีาะพัฒนาตัวเราจากภายในเนี่ยที่มันง่ายที่มันง่ายมากง่ายจนแบบว่าทําแค่นี้เหรอปฏิบัติอยู่แค่นี้เหรอเอาแค่นี้เหรอเนี่ยเรากลับมองมาตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยทำแค่นี้เหรอพอแล้วดูอยู่แค่นี้ สังเกตอยู่แค่นี้เหลือพอแล้วมีอะไรยากกว่านี้ไห ม, มนั่นแหละเรากลับลืมมองตรงนี้กันเนาะวันนี้ก็จะพาไปเข้าใจอะไรบางอย่างอืมเข้าใจกระบวนการอะไรบางอย่างเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละเรื่องของตัวเองแล้วก็ลองดูเนาะที่เราเคยเรียนรู้อะไรมามาคอสกี่วันนะห้าวันใช่ไหมห้าวันเอาวางไว้ไก่อนเนาะเราเคยรู้อะไรมาเราเรีนเรียนอะไรมาเอาวางไว้ก่อน มาลองดูวิธีตรงนี้เ็าเรียกว่าลองเปิดใจดูลองเข้าไปสัมผัสดูไปลองดูว่าจริงไหมถ้าถ้าลองแล้วเออมันมันไม่ได้เรื่องมันไม่ดีก็เอาทิ้งไว้ไนี่แหละแต่ถ้ามันลองแล้วเออเป็นแบบนั้นจริงใช้ได้ก็อาไปใช้ต่อได้เนาะไม่มีหวงเขาไม่มีไม่ ม, ม, มเาเรียกว่าไม่มีหวงว่าเป็นของใครยังไงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ต่อแล้วก็ไปบอกไปสอนต่อได้ ไม่มีดิกสิทธิ์เนาะไม่มีว่าห่วงไห้ของฉันนะมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะวันนี้จะพาไปเข้าใจเรื่องบางบางอย่างที่เราคิดว่าเอเรามีอยู่แล้วแต่เรากับไม่รู้จักมันเนาะเป็นบางอย่างที่บินในชีวิตทุกคนต่างรู้ต่างสัมผัสมันแต่เรากลับเฮ้ยไม่รู้จักมันมาก่อนก็เป็นไปได้เนาะอ่านั่งตามสบายนั่งมือขวาอยู่กเขาขวา มือซ้ายอยู่ข่าวซ้ายเ <c oughs> นาะคนใหม่ก็คนเก่าก็เรียนไปซ้ำไปด้วยเนาะคนใหม่ก็ลองดูมีประกาศ ก, กระดาษไหมเดี๋ยวแจกเลยจะทำเป็นหัวข้อไว้เป็นหัวข้อไว้ให้เราได้รละลึกว่าเอ้ยว่าให้เราจดโนต้ตไว้ว่าเออยิงไงนลำดับเป็นแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่พระอาจารย์ท่าน สอนมาเนาะยี 22, ส่สพัายิบสองาเนี่ยมันตกผลึกแล้วมันตกผลึกเป็นลำดับแล้วว่าขั้นแรกต้องไปเจอตรงนี้นะแล้วจะเจออะไรเมื่อเจอตรงนี้แล้วต่อไปทำยังไงขั้นต่อไปเป็นยังไงแบบเนี้ยเนาะมันจะง่ายสำหรับเราคนมาใหม่ ลองเขียนดูน้าปากกาบางทีมันจะมีพลาสติกเคลือบอยู่ห่อจุกปิดอยู่อเดี๋ยวเป็นคำถามแรกเนาะต่ชอบถามสิ่งนะี้เป็นพื้นฐานว่าที่เราเข้าใจคืออะไรคำถามที่แบบว่าเราเป็นชาวพุทธใช่หรือไม่เนาะทุกคนต่างเป็นชาวพุทธอยู่แล้วหละมารีก็ต้องเป็นชาวพุทธ อ่าใดอย่างครบเลยอ่าขอนั้นคำถามแรกเนาะจะขอถามคนมาใหม่หรือคนที่ยังไม่ได้เข้าใจด้ถามว่าศาสนาพุทธศาสนาพุทธเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรนะยกบุแล้วตอบเลยดีไ้ย เอาที่เราเข้าใจเอาที่เรารู้ไม่มีถูกไ ม, ไม่มีผิดอยู่นีเนาะตอบได้หมดทุกคำตอบเป็นสิ่งที่เอามาเรียนรู้กันไม่มีถูกไ ม, ไม่ไม่มีผิดมันคือประสบการณ์ของเรามีไหมสอนเรื่องอะไรเนาฮะเอาที่เราเข้าใจเอาที่เรารู้แหละมีอะไรบ้างศาสนาพุทสอนเรื่องอะไรสอนอะไรข้างหลังทางสายกลางเออมีไหม ฮะการละทุกการปล่อยวางอืมีไห ม, มการละทุกเอ่อการปล่อยวางมีไหมที่เราเข้าใจได้หมดเนาะไม่มีถูกไม่มีผิดมีไหมมีไห ม, มทางสายกลางการปล่อยวางน้อมีอะไรอีกอืม ยกมือแล้ตอบเลยเนาะเรามาเรียนรู้แบบไม่ได้สอนฝ่ายเดียวเนาะทุกคนเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันได้ตอบโต้กันได้ถามมาก็ต้องมีคําถามก็ต้องมีคําตอบเนาะเป็นประสบการณ์แบ่งกันมีไหมมีไหมอาจารยพูดสอนเรื่องอะไรเอาที่เรารู้แหละเรารู้เรื่องอะไรอะไตรลักษณ์รู้ทุกมีไหมคนอื่น ฮะ <No>. การพัฒนาตนเองมีไห ม, มจากดับทุ ก, ก, ทกอสอนเรื่องศีลไหมเราได้ถือศีลไหมเนี่ยถือไปแล้วสอนเรื่องศีลไหมล่ะสอนใช่ไหมเรื่องศีลก็มีสอนให้คนละชั่วทำดีไหม ลองดูเนาะสอนให้ถ้าชั่วทำดีมีในศาสนาคิดไหมอิสลามมีไหมเรื่องศีลล่ะคิดมีไหม บ, บ, บรรดาศิลปการก็เป็นศีลอิสลามมีศีลไหมให้รู้จักมีเมตตาให้ทานศาสนาคิดมีไหมอิสลามมีไหมพุทธมีไหมลองสังเกต ด, ดูเนาะ เอ๊ทำไมมันคล้ายกันละ่ะทำไมมันคล้ายกันให้ละชั่วทำให้ให้ละชั่ ว, ท ำ, วทำดีให้เป็นคนดีให้ทานรักษาศีลให้มีเมตตาต่อสปปรรพสิ่งใช่หรือไม่อันนี้เขาเรียกว่าแล้วมีคำหนึ่งเนาะที่บอกว่าทุกศาสนาก็สอนเหมือนกันแหละใ ห, นน ใ, หให้คนเป็นคนดีใช่หรือไม่อืมให้คนเป็นคนดีมีเมตตาเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนสปปรรพสิ่งอันนี้เขาเรียกว่าบาดฐาน เป็นบาดฐานของศาสนาเมื่อเรามีศาสนาสิ่งเหล่านี้คือเป็นบาดฐานทุกคนต้องมีอยู่แล้วแต่ศาสนาพุทธจ่อจงไปอีกจุดสูงสุดคืออะไรฮะคนมาใหม่คนมาใหม่คิดว่าคืออะไรเ้าจุดสูงสุดที่แบบสูงสุดแล้วเฮียสัีกช่ไหม ฮะไม่กลับมาเกิด อ, อีกโอ้เหลือนิพพานใช่ไหมลองสังเกตดูเนาะไอจุดสูงสุดคือเราอาจจะบอกว่านิพพานเนาะไม่กลับมาเกิด อ, อีกก็ถามว่าเป็นยังไงนิพพานเป็นเมืองใหม่ไหมเ ป, เป็นที่อยู่ใหม่ไหมต้องตายไปแล้วค่อยไปเจอไหมลองสังเกตดูเนาะเขาเรียกว่าเมื่อเรา เมื่อมันเป็นคําที่แบบคําเฉพาะขึ้นมามันกับเ อ, อต้องแปลความหมายใช่หรือไม่บางทีแปลไปสามหน้ายังไม่ยังไม่จบเลยแต่ถ้าบอกว่าศาสนาดุษสูงสุดคือความป้นทุกข์เหรอต้องแปลไหมอืมพ้นทุกข์แล้วบอกว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เหรอมันต้องแปลและยืดยาวไหมเนาะเราเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงไปอีกก็แค่มันก็แค่เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ เนี่ยมันจ่ะจงไปอยู่แค่เนี่ยส่วนไอ้พื้นฐานมันมีอยู่แล้วเป็นเปลือกอยู่แล้วแต่แก่นก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องทุกเลยการดับทุกขอถามว่าทุกคําว่าทุก์เนี่ยจําเป็นต้องแปลความหมายไหมจําเป็นต้องไปหาข้อมูลภายนอกไหมว่าทุกคืออะไรจําเป็นไหมเราสัมผัสได้ไหมว่าทุกคืออะไรมีไหมชีวิตนี้ทุกมีไหม เนาะลสังเกตว่ามันมีอยู่แล้วมันเป็นของทีนมีอยู่แล้วแต่พอพูดถึงเรื่องทุบภั๊เป็นยังไงชอบไหมอยากได้เอามาใส่ตัวไหมอยากถือของไหมทุกเนาะไม่อยากถือของไม่อยากได้ไม่อยากมาใส่ตัวแต่เคยรอดพ้นไหมเนาะอย่ามาเดิตรงออกห่างชั้นเลยมันมันไปรอดไหมเนาะมันเป็นเสมือนเงาตามตัวเราตลอดเวลาเราเรามีทุบ เรามีทุกเป็นทุนอยู่แต่เรากลับไม่รู้จักมันใช่หรือไม่ไม่รู้จักมันดีพอแล้วก็ไม่รู้จักว่าจะทำยังไงกับมันด้วยเนะาะบางทีก็กบเกินบางทีก็ปฏิเสธบางทีก็หลบลี้หนีหน้าพอเราไม่อยากได้ทุกเรากลับอยากได้อะไรโดยธรรมชาติแล้วไม่อยากได้ทุกกลับอยากได้สุขเนาะวิ่งหาสุขวิ่งหาความสุขอืมนั่นแหละเนาะวันนี้ก็จะมาก็ให้จําไปเนาะศาสนาพุทธ แก่นของศาสนาก็คือสอนเรื่องทุกข์เรืการดับทุกข์นี่แหละจุดสุดท้ายก็คือความพ้นทุกข์นั่นแหละมันก็แค่เรื่องเรื่องเนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นเนาะไม่ใช่เรื่องอื่นถ้าเราศึกษาก็มุ่งตรงนี้อะไรคือทุกข์ละ่ะทุกข์เป็นยังไงอะไรคือสาเหตุละ่ะมีอะไรบ้างวิธีการออกจากทุกข์ละ่ะทํำยังไงกระบวนการไปให้ถึงที่สุดทํำยังไงอันนี้ก็ยศศีใช่หรือไม่ เนี่ยสอนเขาเี้มว่าตรงตามทางพระเจ้าเลยก็อยู่แค่นี้เนาะก่อนก่อนจะพาไปตรงนั้นก็จะพาไปรู้จักอะไรบางอย่างก่อนเนาะเป็นพื้นฐานบทที่หนึ่งให้เขียนว่าบทที่หนึ่งเขียนไว้ความตั้งใจกับความเคยชินต่างกันอย่างไรเ ข, เขียนเขียเป็นหัวข้อไว้เนาะความตั้งใจกับความเคยชินต่างกันอย่างไร ความตั้งใจกับความเคยชินต่างกันอย่างไรเขียนแล้วอย่าพิ่งหาคําตอบอย่าเพฮงคิดหาคําตอบจะพาไปเจอตรงๆไปเจอตรงๆเลยเนาะเสร็จแล้วเอาบักรกา ก, กระดาษวางไว้ก่อนมือขวาที่หัวเข่าขวามือซ้ายที่หัวเข่าซ้ายให้เราตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจเป็นคําเริ่มต้นเป็นคําแรกเป็นคํานําหน้าเสมอ เป็นสิ่งที่ต้องทําก่อนเป็นคีย์เวิร์ดหลักลองตั้งใจตะแคงมือขวาแบบนี้ตั้งใจความมือขวาตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจความมือซ้ายตั้งใจตะแคงมือขวาตั้งใจความมือขวาตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจความมือซ้ายตั้งใจตะแคงมือขวาตั้งใจความมือขวา ตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจความมือซ้ายตะแคงมือขวาความมือขวาตะแคงมือซ้ายความมือซ้ายตะแคงมือขวาความมือขวาตะแคงมือซ้ายความมือซ้ายตะแคงมือขวาความมือขวาตะแคงมือซ้ายความมือซ้ายขวาความ้ายควาขวาความ้ายความขวาความ ซ้ายคว่ำขวาคว่ำซ้ายคว่ขวาความซ้ายความขวาควซ้ายคว่ำขวาความซ้ายคว่ำขวาคว่ำซ้ายความขวาคว่ำ ซ้ายคว่มขวาคว่ำซ้ายคว่มขวาคว่มซ้ายคว่ำขวาคว่ซ้ายคว่มขวาคว่ำซ้ายคว่ำขวาคว่ซ้ายคว่ขวาคว่ำซ้ายคว่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 ซ้ายความขวาความซ้ายความขวาความขวาอทําไมมือซ้ายไปเองือทําไมมือซ้ายไปเองเกิดอะไรขึ้นมันเคยชินใช่หรือไม่ตอนแรกจําโจทย์ได้ไหมให้เราตั้งใจตอนแรกทุกคนต่างตั้งใจไหม เนาะทุกคนต่างตั้งใจเขาเรียกว่าความตั้งใจมาเต็มร 0% อยเปรเซขวาด้วยความตั้งใจความก็ตั้งใจซ้ายก็ตั้งใจขวาก็ตั้งใจใช่หรือไม่แต่เวลาผ่านไปผ่านไปเกิดอะไรขึ้นเนาะตอนแรกความตั้งใจมาเต็มร้อยผ่านไปสัก1นนาทีเราทำดเดิมๆซ้ำๆใช่หรือไม่ทาแค่เนียขวาความซ้ายความผ่านไป1น่นาทีปั๊บความตั้งใจเลยอยู่80อะไรมแล้ว20 เคยชินมาแล้ว20ทําไปทํามาขวาซ้ายขวาซ้ายความตั้งใจเหลืออยู่60สอะไรไปแล้ว40สิบเคยชินยิ่งทำไปเรื่อยๆขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายความตั้งใจเหลืออยู่ยีสิบอะไรไปแล้ว80ดสบสุดท้ายขวาซ้ายด้วยอะไรเนอะเคยชินร้อใช่หรือไม่มันเหมือนน้ำในขวดเนาะตอนแรกน้ําเต็มขวดน้ําก็เป็นความตั้งใจ แต่เราเทออกไปปั๊บสักครึ่งขวดมันเหลืออะไรครึ่งหนึ่งเป็นอะไรเราเทน้ำออกจากขวดไปครึ่งขวดมันเหลืออะไรเนาะน้ำออกไปใช่หรือไม่น้ำเปียกเสมือนความตั้งใจลดไปครึ่งหนึ่งแต่อะไรที่ทดแทนทันทีเลยอากาศใช่ไหมนั่นแหละก็เหมือนกันเนาะความเคยเมื่อความตั้งใจหายไปความเคยชินก็ทดแทนทันทีแล้วขอถามทุกวันเนี่ย ที่เราทําสิ่งต่างๆนํานเดินน้ำซ้ำเนี่ยเราอยู่กับความตั้งใจหรือว่าเคยชินเยอะกว่ากันเราเราตอบได้เลยว่าเคยชินใช่หรือไม่ลองดูสิจริงไหมเนี่ยเอาง่ายสุดตอนเดินขึ้นมาเนี่ยถอดรองเท้าข้างขวาเลยข้างซ้ายก่อนรู้ไหมรู้ไหมตอนที่ว่าถอดเท้าเก็บอ่ะข้างขวาเลยข้างซ้ายก่อนไม่รู้บางคนก็บอกว่าข้างขวา ทำไมถึงข้างขวาล่ะถนัดขวาแต่ถามว่ามั่นใจไหมไม่มั่นใจอ่ะใช่หรือไม่เอกกลับทําสิ่งต่างๆด้วยความเคยชินเยอะกว่าความตั้งใจลองดูเนาะว่าเยอะขนาดไหนมีไหมก่อนออกจากบ้านเดินออกไปแล้วเอ๊ลอกประตู ย, งตง ย, ย, ยงตังต้องกลับไปดูใหม่มีไหมสุดท้ายลอกแล้วหรือยังลอกแล้วแต่ทําไมถึงต้องกลับมาดูใหม่ เพรไม่มั่นใจใช่ไหมทําด้วยความเคยชินยิ่งรถยุกดีน้อยรถรถสมัยใหม่ใช้ลิมหิตใช่หรือไม่เดินไปเดินไปต้องกดปิกปกิซ้ําอีกถามว่ากดไปแล้วเลยยังก่อนหน้านั้นอืมบางทีลงไปแล้วกดไปแล้วแต่ถามว่ามั่นใจไหมก็ไม่มั่นใจก็ต้องมากดใหม่เนาะลองดูเนาะว่าแท้จริงเราใช้เว็บเนี่ยเราอยู่กับความตั้งใจหรือว่าเคยชินเยอะกว่าก่อนและ และคิดว่าไอ้ความตั้งใจเนี่ยกับความเคยชินอันไหนน่าจะสร้างปัญหาหความตั้งใจเป็นอาหารของสติความเคยชินเป็นอาหารความหลงคิดว่าอันไหนนั่นสร้างปัญหาไอ้ที่มีปัญหาใ น, ในชีวิตเนี่ยคิดว่ามาจากไหนล่ะมีใครตั้งใจแล้วสร้างปัญหาไหมบัดนี้จะตั้งใจทุกมีไหมมีเวลาว่างหนึ่งชั่วโมงจะตั้งใจทุก เนาะแม้แต่ความทุกข์กับปัญหามันไปกับความเคยชินนี่แหละที่เราไม่เคยรู้จักมันใช่หรือไม่ชีวิตนี้รู้เรียงว่ามีความตั้งใจกับความเคยชินเนาะเคยรู้ไหมเนี่ยคนมาใหม่เคยรู้ไหมว่ามีความตั้งใจกับความเคยชินเนาะบทที่1นึรู้แล้วเนว่าความตั้งใจกับความเคยชินเป็นอย่างไรความตั้งใจเป็นอาหารของสติความรู้สึกตัวความเคยไม่ใช่ ความตั้งใจเป็นหารของสติวความรู้สึกตัวความเคยชินเป็นอาหารของความหลงเนอะอุหลงทั้งหลายนี่แหละทีนี้บทที่สองบทที่สองจึงมีชื่อว่าความตั้งใจจะพาไปรู้จักกับอะไรความตั้งใจจะพาไปรู้จักกับอะไร ความความตั้งใจจะพาไปรู้จักกับอะไรเมื่อกี้เราได้รู้จักแล้วว่ามันมีความตั้งใจกับความเคยชินว่าชีวิตเราเกี่ยวข้องกับ2 อ, อย่างแต่โดยส่วนมากเราจะอยู่กับความเคยชินซะเป็นส่วนมากบทที่2ก็เลยหยิบความตั้งใจขึ้นมาเล่นต่อในชื่อว่าความตั้งใจจะพาไปรู้จักกับอะไร มือวางที่หัวเขา่าสองข้างเออมาเดิมเนาะทำสบายสบายแ ล, แล้วก็สังเกตที่มาเกิดกับตัวเองตั้งใจตะแคงมือขวารู้ไหมตั้งใจความมือขวารู้ไหมตั้งใจตะแคงมือซ้ายรู้ไหมตั้งใจความมือซ้ายรู้ไหมตั้งใจตะแคงมือขวารู้ไหมตั้งใจความมือขวารู้ไหมว่ามือคว่ำ เอามา us, alive, ือไปข้างหลังสองข้างเอามือไปข้างหลังสองข้างตั้งใจกำมือขวาตั้งใจกำมือซ้ายตั้งใจแบมือซ้ายตั้งใจแบมือขวาตั้งใจกำสองมือตั้งใจแบสองมือกำมือซ้ายกำมือขวาแบมือขวาแบมือซ้ายกำสองมือแบสองมือ เอามมาข้างหน้าอเมื่อกี้เราทําอะไรือเมื่อกี้เราทําอะไรอ้สาธุตั้งใจกํามือแบมือเมื่อกี้เราได้ตั้งใจกำมือแ บ, บ, แ บ, บมือบบไหมใครคิดว่าเรากํามือแบมือก่อนใครคิดว่าเรากํามือแบมือที่ตอบมาเนาะลองสังเกตดูเนะาะจาโจทย์ได้ไหม ให้ตั้งใจให้ตั้งใจเป็นคำเริ่มต้นเป็นคำนำหน้าเสมอแต่สังเกตไหมตั้งใจมันก็ไปก่อนเพื่อนใช่ใช่ใช่หรือไม่มันง่ายมากต่อการเคยชินเนอะมันง่ายมากมากเลยไ อ, ไอตัวตั้งใจเนี่ยง่ายมากๆก็จึงบอกว่าให้ตั้งใจเนอะเมื่อกี้เราตั้งใจกำมือแบมื อ, แบบมอใช่หรือไม่ใช่ไหมเรารู้ไหมว่าเรากำมือแบมื อ, แบบมอรู้ไหมเราเห็นไหมไม่เห็นเนอะทีนี้ ให้จงคำตอบไว้เนาะให้จองคำตอบกัไนไว้ทีนี้เอามือมาข้างหน้าไว้ที่หัวเข่าของสองข้างมองมือตัวเองด้วยมองมือตัวเองลองตั้งใจกำ ม, มือแ บ, บ่งมือด้วยตัวเองสักพักตั้งใจกำ ม, มือแบงมือด้วยตัวเองเลยแล้วมองมือตัวเองด้วย พอก่อนเมื่อกี้เราทำอะไรดันใจกำมือแบมือใช่ไหมเรารู้ไหมว่าเรากำมือแบมือเห็นไหมทีนี้ทีนี้มันมีสองกิจกรรมเนาะอันแรกมือไปข้างหลังแล้วก็กำมือแบมืออันที่สองมืออยู่ข้างหน้าแล้วก็กำมือแบมือขอถามสองกิจกรรมเนี่ย มีอะไรที่เหมือนกันบ้างข้อหนึ่งตั้งใจใช่ไหมข้างหน้าได้ตั้งใจไหมก็ขลังตั้งใจไหมอันที่สองล่ะอันอันนี้สองล่ ะ, นนนนละที่มันเหมือนกันเมื่อกี้ตั้งใจแล้วอะไรอีกขลังในกรรมมือแบมือไหมข้างหน้าได้กรร ม, มไหมเหมือนกันไหมเนี่ย อันแรกตั้งใจอันที่สองกำมือแบมือใช่ไหมอันที่สามอะไรอีกกนึงที่มันเหมือนกันรู้ใช่ไหมข้างหลังกำมือแบมือรู้ไหมว่าเรากำมือแบมือรู้ไหมข้างหน้าแล้วมีอะไรที่ไม่เหมือนกันเห็นกับไม่เห็นข้างหน้าเห็นไหมว่าเรากำมือแบมือข้างหลังงั้นเขาถามไอภาวะรู้เนี่ย ว, ว่าที่มันรู้ว่าข้างหลังกํามือแ บ, บมือข้างหน้ากำมือแ บ, บมือจําเป็นต้องเห็นไหมอ่าแล้วมันรู้เห็นได้ด้วยอะไรความรู้สึกใจสติเนาะตามจริงมันก็เชื่อเดียวกันหมดแหละมันรู้สึกจะรู้ด้วยใจรู้ได้สติมันก็อ่านเดียวกันเนาะเราสังเกตว่ามันรู้ ไอ้พระวิที่มันรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นต้องเห็นไหมมันจะเป็นต้องเห็นด้วยตาใช่หรือไม่แต่มันแต่มันรู้สึกใช่ไหมมันรู้สึกว่าอยู่ข้างหลังมันก็มีมือกรำมือแบะใช่ไหมมันรู้ว่ามีการกรมเกิดขึ้นมีการแบะเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้ามันก็รู้ว่ามือกรำมือแบะอยู่เนาะไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาเขาเรียกว่าภาวะเนี่ยเขาว่าเรียกว่าภาวะทที่มันรู้เนาะที่มันรู้ เมื่อมันทำสิ่งไหนมันจะรู้กับสิ่งนั้นเมื่อกี้เรากำมือแบมือใช่หรือไม่มันมันก็รู้ทีนี้ลองไปดูลมหายใจสิลองดูลมหายใจตัวเองอ่าพอก่อนรู้ไหมว่ามีลมเข้าลมออกรู้ไหมแล้วนั่งมานั่งมาตั้งนานทำไมถึงไม่ไม่รู้อ่ะเพราะอะไร ทำไมนั่งมาตั้งนานเราถึงไม่รู้ว่ามีลมหายใจไม่ได้สนใจไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ตรงนี้ใช่หรือไม่พราว่ารู้เขาเรียกว่ามันรู้เป็นทีละอย่างทีละอย่างที่เขาว่าไว้เนาะมันรู้ทีละอย่างเมื่อเราตั้งใจกับสิ่งไหนมันก็รู้กับสิ่งนั้นก่อนที่เราจะไปดูลมหายใจเราตั้งใจอยู่กับสิ่งไหนเรานั่งอยู่ตังนานเรานั่งฟังอะไรเรานั่งฟังธรรมใช่ไหม มันก็รู้กับตรงไหนล่ะกับเสียงที่เข้าหูใช่หรือไม่มันก็รู้ก <uned> ับตรงนี้แต่เมื่อกี้บอกว่าเอาทุกคนไปดูลมหายใจซิมันก็เปลี่ยนการรับรู้ไปอยู่ที่ทุกคนลองกํามือซิมันก็เปลี่ยนมาอยู่ที่เนาะเขาเรียกว่าเมื่อเราตั้งใจทําสิ่งไหนภาวรรลภพาบรรลุก็จะไปอยู่กับสิ่งนั้นเนาะอันนี้บทที่สองความตั้งใจจะพาไปรู้จักกับอะไรรู้หรือยังฮะ เมื่อเราตั้งใจทำปั๊บมันเกิดภาวะอะไรเมื่อกี้ภาวะรู้หรือที่มันรู้สึกเนาะที่มันรู้สึกนั่นแหละบทที่สามบทที่สามจึงมีชื่อว่าเอาตัวรู้ไปทำอะไรเราก็ยกตัวรู้เมื่อกี้่ยที่มันรู้กับการกระทำกามือแบมือมันก็รู้นั่งนั่งฟังอยู่มันมันมันก็รู้ หายใจเข้าหายใจออกมันก็รู้เนี่ยเอามาใช้บทที่3ามบทที่3เอาตัวรู้ไปทำอะไรเอาตัวรู้ไปทำอะไรอ่าเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งหาคำตอบมานี่เรามากี่วันนะหวันถามว่ามานี่เราได้ประกอบอาชีพอย่างอื่นไหมเราได้ไปทาการทำงานหาเลี้ยงตัวเองไหมหาเลี้ยงครอบครัวไหม ก็จึงบอกว่าละไว้ก่อนตรงนั้นเนาะเราไม่ได้ทางานอย่างอื่นเพราะว่ามานี่เรามาทําอะไรเราเรามาทําอะไรมาปฏิบัติใช่ไหมมาปฏิบัติมาฝึกปฏิบัติมาภาวนามาทํากรรมฐานเนาะมาเรียนรู้อันนี้ก็จึงเป็นงานหลักใช่หรือไม่เป็นงานหลักอย่างอื่นไม่ใช่แล้วอื่นไม่ใช่แล้วหวันนี้คืองานหลักมาภาวนาทีนี้ การภาวนาหรือการการภาวนามันก็มีรูปแบบหลายรูปแบบเนาะหรือชื่อหนึ่งก็คือการทํากรรมฐานการทํากรรมฐานพระพุทธเจ้าบอกว่าฐานเนี่ยตามจริงกรรมกรรมคำว่ากรรมฐานเนี่ยมันประกอบด้วยคํา2คําคิดว่ากรรมฐานจะประกอบได้กี่ส่วนฮะใบให้แล้วมันประกอบด้วยคำสองคาแสดงว่ามันต้องประกอบด้วย สส่วนใช่ไหมฐานกับอะไรเนาะอันแรกก็เป็นฐานทีนี้ฐานพูะเจ้าก็ฐานกับตัวมากระทำใช่ไหมตัวมากระทําตัวมากระทําทีนี้แล้วตัวมากระทําเป็นแบบไหนเราใช้ตัวไหนล่ะม า, มากระทํากับกับฐานก็เราก็หยิบจากบทที่เท่าไหร่มาเมื่อกี้บทที่2เราาความตั้งใจแหละ อเอาความตั้งใจนี่แหละกระทาลงมาเมื่อเราตั้งใจทำปั๊บมันเกิดภาวะอะไรนะภาวะรู้ภาวะรู้หรือใจที่มันรู้เนาะเอามารวมกันกรรมฐานก็ประกอบด้วยสวส่วนฐานกับใจที่มันรู้หรือแปลง่ายฐานกับใจทีนี้ฐานละ่ะใช้อะไรดีฐานท่านในบัญญัติเนาะในตําราจะบอกว่าฐานนี่มีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดสี่สิบอย่างสี่บกองเยอะไหมเนาะจะทำโอ้หลายอย่างแต่พระพุทธเจ้าบอกว่า กรรมฐานที่ดีสุดคืออยู่ที่ไหนอยู่ที่กายเราเนาะอยู่ที่กายเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ดีที่สุดเป็นเสาหลักเสาเคลื่อนเป็นที่ปลอดภัยว่ามันกลับมาแน่ว่ามันตั้งมั่นแน่พระพุทธเจ้าท่านใช้อะไรเป็นฐานนะท่านอยู่กับอะไรท่านนั่งหลับตาเฉยๆไหมพระพุทเจ้าไม่หลับตาเนาะท่านท่านอยู่กับอะไรเป็นหลัก ลมหายใจใช้หรือไม่ลมหายใจก็เป็นกรรมฐานเป็นกายแบบอีกแบบหนึ่งก็ใช้ได้แต่ขอถามมีใครเคยฝึกดูลมหายใจบ้างมีใครเคยฝึกมาก่อนไหมดูลมหายใจยกมือขึ้นเป็นยังไงเคยฝึกดูลมหายใจแล้วนั่งไปพอสามนาทีเกิดอะไรขึ้นเคยฝึกนั่งสมาธิไหมที่เขาบว่าให้ดูลมหายใจนะนั่งไปนั่งมาเกิดอะไรสามนาที ไม่ต้องครึง่งชั e.> ่วโมงหรอกสามนาทีนี่แหละเกิด อ, อะไรไหายอะไรหายอะไรล้มหายยิงเหลือล้มหายหรือเราหายผ่านไปครึ่งชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นโอ้โอโ ห, หลับตื่นมาสบายแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ได้หลับไปใช่หรือไม่ทําไมถึงเราไปฝึกแล้วมาถึงไม่มาใช้ใช้ไม่ได้เรื่องหรอเพราะอะไรคิดว่าเพราะอะไร ทำไมถึงลำ บ, บากขนาดนั้นทำไมถึงไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นประโยชน์ถึงยากถึงเงย็นเหลือเกินเพราะอะไรรู้ไหมลองย้อนไปดูบทที่หนึ่งลองย้อนไปอ่านบทที่หนึ่งมันง่ายต่อการเคยชินไหมเมื่อกี้เราทำพลิกมือความมือเราเราทำพอ20นาทีไหมไหมเนี่ยเราทพราพอ20อธิบายเราความมือหงายมือเราทาพอยิบเราทำพอ5นาทีไหม วันจะสองทีสามทีใช่หรือไม่แต่เราก็กับเคยชินร้อยเปอร์เซ็นลองคิดดูเราหายใจเมื่อกี่ปีแล้วฮะหายใจเมื่อกี่ปีแล้วเท่าชีวิตเนาะนั่นแหละก็ติองบอกว่าเมื่อมาฝึกดูลมหายใจปับ๊บหายใจมาเท่าชีวิตเนาะแต่จะมาฝึกชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าไม่ไปกับความเคยชินใช่หรือไม่มันง่ายต่อการเคยชินมากเลย ไอ้แค่ทำเมื่อกี้เนี่ยนะพลิกมือความมือซ้ายขวาซ้ายขวาประมาณสองนาทีมันยอร้อยเปซเลยแล้วลองคิดดูสิหายใจมาทั้งชีวิตจะให้มาฝึกวันเดียวเนาะมันจะเป็นเรื่องยากนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่าเห็นว่าลมหายใจมันก็ใช้ได้แต่มันก็ลำบากถ้าคนไม่เคยฝึกมาก่อนมันก็ลำบากพระองค์ก็บอกว่างั้นเพิ่มไปอีกเป็นอีเรืยปใหญ่ ยืนเดินนั่งนอนทุกคนมีไหมเนะี่ยมียืนมีเดินมีนั่งมีนอนไหมทุกคนก็มีเนาะอันนี้ก็ใช้ได้ใช้เป็นฐานได้ก็เพิ่มไปอีกอีบด ย, ย่อยคูเหยียดเคลื่อนไหวกระพริบตากึนน้ำลายเหลียวซ้ายแล้วขวาหันหน้าหันหลังอุจจาะปัสวะก็ใช้ได้เนาะท่านเพิ่มไปให้ว่าอันนี้ก็ใช้ได้ก็จึงเป็นที่มาเนาะจึงเป็นที่มา จึงเป็นที่มาว่าเขาเรียกว่าเป็นท่าทางประดิษฐ์ที่หลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนเขาคิดก้นอันนี้ขึ้นมาว่าต้องใช้แบบนี้นะต้องทําแบบนี้ลองดูเนาะในชีวิตจริงมันมันจะมีใครมานั่งทําแบบนี้ไหมมีไหมมีไหมจะมานั่งแบบเนี้ยมีไหมจะทําแบบนี้ได้ต้องทํำยังไงเมื่อตั้งใจทําปั๊บเมื่อตั้งใจทําปั๊บมันเกิดพาวาอะไร เพราว่ารู้มันก็มีสติตามมานั่นแหละจึงเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ว่าให้ตั้งใจทําให้มันถูกท่าถูกทางใช่หรือไม่ให้มันถูกท่าถูกทางพอเราตั้งใจทําปับ๊บภาวะรู้มันก็ภาวะรู้หรือสติหรือสมาธิมันก็เกิดเองอืมเนี่ยมันสําคัญตรงนี้แหละเราเคยได้ยินไหมหรือเคยโดนสอนไหมให้มีสตินะเคยไหม ช่วงนี้ทำงานไม่มีสติเลยให้มีสตินะทำยังไงให้มีสติฮะทำยังไงล่ะเนาะทีนี้กลับไปก็ให้ตั้งใจตั้งใจทําสิ่งไหนกับสิ่งนั้นมันก็มีสติมีสมาธิกํากับอยู่แล้วนั่นแหละสติไม่ต้องสร้างแค่ตั้งใจทำนันมันก็เกิดเองเนาะก็จึงเป็นที่มาเขาเรียกว่า14บสจังหวะตามแนวทางหลวงปู่เทียนเป็นกรรมฐานแบบหนึ่งเนาะในอ e ีบทย่อย การเคลื่อนไหวนั่นแหละทีนี้เราจะมาเรียนกันว่าสิบฟีดยังไงเรียนแบบไหนเนาะอะ่มือขวาวที่ขเข่าขวามือซ้ายที่ขเขา่าซ้ายพอดีมันต้องนี่นะไม่เป็นไรไนไราใช้สองข้างอ่ได้ยินเสียงไหมอ่ให้เราตั้งใจเนาะตั้งใจเป็นคำเริ่มต้นเสมอ เราจะมาเรียนสิบสี่อย่างบาตตามแนวทางหลวงปู่เทียนว่าทำยังไงกันโดยผ่านความตั้งใจนี่แหละลองตั้งใจตะแคงมือขวาแบบนี้รู้ไหมว่ามือขวาตะแคงตั้งใจยกมือขวาขึ้นข้างตัวรู้ไหมเอามือขวามาที่ท้องตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจยกมือซ้ายเอามาที่ท้องมือขวาขึ้นหน้าอก พักมือขวาไปข้างตัวเอามาตะแคงไว้คว่ำลงซ้ายขึ้นหน้าอกผักไปด้านข้างตะแคงไว้คว่ำลงตะแคงมือขวายกมือขวาเอามาที่ท้องตะแคงมือซ้ายยกมือซ้ายเอามาที่ท้องมือขวาขึ้นหน้าอกผักไปด้านข้างเอามาตะแคงไว้คว่ำลง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 ตะแคงมือขวายกมือขวาออกมาที่ท้องตะแคงมือซ้ายยกมือซ้ายออกมาที่ท้องมือขวาขึ้นหน้า อ, อกผักไปด้านข้างตะแคงไว้คว่ำลงซ้ายขึ้นหน้า อ, อกเอาไปด้านข้างออกมาตะแคงไว้คว่ำลงจาได้ไหมจําได้ไหมเรียกว่า14จังหวะ การจเจริญสติกันเล่าสิบสี่จังวะตามแนวทางหลวงปู่เทียนบทที่3ามเอาตัวรู้ไปทำอะไรรู้แล้วอยังเอาตัวรู้มาทำกรรมฐานใช่ไหมเรามานี่มาห้าวันเรามาภาวนาเรามาทากรรมฐานกรรมฐานประกอบด้วยกี่ส่วนนะสองส่วนคือฐานกับกับใจเนาะฐานกับใจแล้วฐานไหนเป็นฐานที่ดีที่สุดนะ ฐานกายเนาะฐานกายดีดีที่สุดให้เราจำไว้บทที่เแล้วบทที่มใช่มต่อไปบทที่สบทที่สี่จึงมีชื่อว่ากรรมฐานพาไปเห็นอะไรบทที่สี่เนาะกรรมฐานพาไปเห็นอะไร เราได้กรรมาฐานแล้วเนาะเราได้กรรมาฐานรู้วิธีทํากรรมาฐานแล้วตอนนี้จะให้เราทําเมื่อกี้จาได้ไหมว่าทํำยังไงบ้างจะให้เราลองทํำด้วยตัวเองสักพักหนึ่งลองทํำด้วยตัวเองสักพักหนึ่งแล้วสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างตัวสําคัญเนาะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไม่ใช่การเขาเรียกว่าไม่ใช่การเพ่งไม่ใช่การกํากับไม่ใช่การ ทำให้มันมากไปหรือให้มันเป็นอะไรแต่สังเกตสังเก ต, เกตทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดกับเราแหละคือตัวสำคัญอ่พร้อมแล้วเริ่มอ่เดี๋ยวทำด้วตัวเองนะสักพักหนึ่งแล้วสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างอ่าหยุดก่อนเนาะ เมื่อกี้เมื่อกี้มีไหมใครลงจังหวะใครผิดจังหวะมีไหมมันหยุดไปทําไมถึงลงผิดจังหวะทำไมถึงผิดจังหวะนะเกิดอะไรขึ้นทําไมทําไมถึงหลงถึงผิดถึงหยุดไปเฉยเกิดอะไรทำไมาถึงค้างไปมันเกิดอะไรแล้วพออะไรแต่าถึงค้างถึงหยุดไปนะ คิดไปเลยเปื่อยก็เลยบางทีเนาะยกไปยกมาอุ้ยกลัวผิดผิดเลยมีไหมก่อนมันจะผิดมันเกิดอะไรขึ้นไปแล้วแวบหนึงไปก่อนมันคิดไปแล้วใช่หรือไม่อาการนี้เขาเรียกว่าใจที่มันเผลอคิดใจที่มันหลวงคิดเนาะมันมันหลวงคิดไปเผลอไปมันหลุดออกไปใช่หรือไม่มันหลุดออกจากฐานใช่ไหมตัวอย่างเนาะอย่างเช่น กรรมฐานประกอบด้วยกี่ส่วนนะคือฐานกับใจเนาะอันนี้ให้อันนี้ให้เป็นฐานมันก็อยู่ด้ยการปั๊บอันนี้เป็นใจใจเขาเรียกว่าไม่มีร้่างตัวตัวหลอกแต่สมมุติให้แล้วทั้งเป็นใจเมื่อมาอยู่ด้ยการปั๊บมันก็เป็นกรรมฐานใช่ไหมมันอยู่ด้วยกันมันก็เลิ่รู้อยู่ด้วยกันเนาะว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ด้วยกันสมมุติมันอยู่ตรงนี้มันก็รู้ว่ามือจะแคงอยู่สมาธิท้อง ยกมาใช่ไหมยกนาปั yummy, i, clear, ๊บมันก็รู้ออกมาที่ท้องมันก็รู้มามีฝั่งนี้มันก็รู้ใช่ไหมยกนามมันก็รู้มาที่ท้องมันก็รู้เปลด่ยนมือขวามาที่หน้าอกมันก็รู้มาดูดีมันก็รู้ไหมแต่มีไหมบางจังหวะที่แบบอันนี้ออกไปอ่ะมีไหมแบ้ไปแล้วไอ้นี่ยคึกเลยแล้วก็สักพักนึงก็อึกกลับมาแล้วก็ลงไปนี้ไหมอาการนี้แหละเขาเรียกว่า ใจที่มันหลงคิใจที่มันโสดคิดมีจริงไหมที่มันแบบพลิกไปแล้วก็หยุดไปหลุดไปแล้วไม่มีสติแล้วที่ชอบใชยกันเนี่ยไม่มีสติมันออกไปแล้วมันหลุดออกไปแล้วทีนี้เนาะจะมาขยายตรงนี้ให้มันชัดเจนขึ้นว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงอ่าให้เขียนว่ากิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมที่หนึ่งจะพาไปรู้จักมันตรงๆให้มันชัดเจนขึ้นว่าไอ้ ที่มาแวบไปนะ่มันคืออะไร ก, กิจกรรมที่หนึ่งเรื่องที่ใจเผลอคิดเรื่องที่ใจเผลอคิดอ่าวางไปก่อนเขียนเสร็จแล้ววางบากกาไว้ก่อนฟังฟังโจทย์เนาะฟังฟังโจทย์ก่อนว่าทำแบบไหนจะให้เรานั่งยกมือสร้างจิ้บบะไปก่อนสักพักหนึ่งยกไปพับมันคิดอะไรขึ้นมาก็ให้เขียนเป็นเรื่องเป็นเรื่อง เขียนเสร็จแล้วก็มายกมือสร้างจังหวะใหม่เนาะอย่างเช่นสมมุติไปยกมาคิดถึงบ้านก่อยเขียนคิดถึงบ้านกลับมายกใหม่ยกไปยกมาคิดถึงลูกก้อยเขียนคิดถึงลูกคิดถึงควมีก้อยเขียนกลับยกใหม่ยกไปยกมางานยังไม่เสร็จเลยก้อยเขียน อะไรก็ช่างที่มันเข้ามาให้เขียนเป็นเรื่องเป็นเรื่องแต่แต่แต่ไม่ใช่ยกไปยกมาคิดถึงหมาไม่อยู่ห้าวันใครจะออกใครจะพานออกไปข้างนอกไปวิ่งเล่นขี้เต็มบ้านแน่เลยอันนี้มันไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่เผื่อคิดแล้วเป็นอะไรรู้ไหมมันไหลไปแล้วมันไหลไปในความคิดแล้วอเอาแค่เป็นเรื่องแล้วแล้วก็จบนะเนาะอยวว่าปล่อให้มันไหลไปขนาดนั้นเข้าใจจบไหม ให้เป็นเรื่องเป็นเรื่องแล้วก็จดแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่เนาะถึงมันไม่คิดก็ยกมือไปไปก่อนเดี๋ยวมันคิดแน่นอนแหละเนาะพร้อมแล้วอ่ะมือขวาอยู่ขอาวขวามือซ้ายอยู่ข่าวซ้ายให้เราตั้งใจยกมือสร้างจังหวะไปก่อนเมื่อมันคิดพับก็ให้เขียนเลยพร้อมแล้วเริ่ม น, นีคือการสังเกตการสังเกตเลยที่เราตั้งใจทําเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่กับการกระทําที่เราตั้งใจยกไปยกมาแต่สิ่งที่เพิ่มไปคือสังเกตเออมันมีจริงไหมความคิดที่มันออกไปคนที่ปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าคือตรงนี้แหละไม่ใช่แค่สับแต่ว่าปฏิบัติแต่มีการสังเกตเข้ามาด้วย บางคนบอกว่าฉันไม่คิดเลยนั่นแหละคิดไปแล้วว่าฉันไม่คิดเลยมีจริงไหมใจทีนเคอคิดมีจริงไหมหลักฐานอยู่ตรงไหนหลักฐานอยู่ตรงไหนที่เราเขียนไว้ใช่หรือไม่น้อยมากเยอะมากแตกต่างกันไป เขียนเสนใต้กันหนกระดาษเลยเขียนเ้นตาใต้กันขึ้นกิจกรรมที่สองกิจกรรมที่สองข้อหนึ่งอาหารที่ชอบออาหารที่ชอบเขียนชื่อเมนูไปเลยเอาหนึ่งอย่างหนึ่งเมนูชอบอะไรเขียนไปเลยชอบหลายอย่างก็เอาอย่างเดียวเอาชอบที่สุด หนึ่งอย่างหนึ่งเมนูเท่านั้นข้อ2วัตถุดิบและเครื่องปรุงวัตถุดิบและเครื่องปรุงห้ามขีดค่าข้อ1 น, นะเขียนแล้วเขียนเลยเคยมีนะชอบสปาเกตตี้คาโบลิน่าจเจอข้อ2วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงเขียนใหม่ขีดค่าเปลี่ยนเป็นไข่ต้ม ข้อสองนั้นแล้วก็ข้อสวิธีทาวิธีทาต่อเลยวิธีทาวิธีปรุงมันทำยังไงอ่ะปรุงยังไงไล่มาให้หมดทำเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรเอาความน่าจะเป็นใส่ลงไปลองทบทวนดูนะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมไม่ถูกใจ เ, เปลี่ยนกระ บ, บวนการเย อันนี้หน่อยอันนั้นหน่อยมีเด็กมาเขาคอสมาเขาคอส อ, อยู่วัดเนาะเด็กก็ประมาณสิบเดสิบสองนี่แหละเออไม่ใช่สิเจ็ดแปดขวบแปดขวบก็ใช้กระบวนการนี่แหละสอนเด็กเนาะแล้วก็ถามเด็กว่าอ่าที่ชอบคืออะไรข้าวหมูแดงวัตถุดิบข้าวหมูแดงน้ำจิ้ม วิธีทำตักข้าวใส่จานเอาหมูแดงวางเอาหนังจิ้มราดแสดงบ้านไปซื้อมาจากตลาดนี่ว่าใช่ไหมแ ต, แต่เด็กบางคนเขาก็ทำเป็นนะข้าวผัดยังไงผัดผัดเครื่องปรุงก่อนแล้วก็ใส่ข้าวทำอะไรทำแครอทเป็นลูกทำแครอทเป็นลูกเต๋าอะไรก็วาไปก็ทำเป็น ใครเสร็จแล้วก็ทบทวนลองทบทวนลองอ่านสำคัญนะตรงนี้สำคัญแม้จะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเอ๊ทำแค่นี้เหรอใช่ทำแค่นั้นแหละแต่มันพาเรากลับไปเข้าใจอะไรบางอย่างได้ชัดเจนไหนใครยังไม่เสร็จเลงมือหน่อยเนาะเพื่อนรอ เร่งกระบว น, นกา ร, รีสำหรับคนที่เสร็จแล้วลองย้อนไปอ่านกิจกรรมที่หนึ่งลองย้อนไปอ่านกิจกรรมที่หนึ่งแล้วก็ลองย้อนมาอ่านกิจกรรมที่สองเสร็จหมดแล้วเนาะใครยังไม่เสร็จนะ่มีไหมน่าจะหมดแล้วแหละอ่ะลองย้อนไปอ่านกิจกรรมที่หนึ่งะย้อนมาอ่านกิจกรรมที่สอง ขอถามขอถามว่าทั้งสองกิจกรรมนี้เขียนออกมาจากอะไรฮะทั้งสองกิจกรรมเนี่ยทั้งที่หนึ่งและที่สองเขียนออกมาจากความคิดใช่ไหมใช่หรือไม่ถ้าบอกว่าเขียนออกมาจากความคิดแล้วมันเหมือนกันไหมอือเหมือนกันไหมอ้าวทำไมถึงไม่เหมือนกันล่ะไหนบอกออกมาจากความคิดมันก็น่าจะเหมือนกันสิทำไมถึงไม่เหมือนกั น, นกิจกรรมที่หนึ่งมัน ชื่อก็บอกอยู่ว่ามันเผย อ, ออกไปอันที่สองน่ะมีความตั้งใจไหมแต่สังเกตว่าไอตัวไอตัวไอตัวแรกมันเผย อ, ออกไปเนาะมันเผย อ, ออกไปมันออกไปเองอยู่ว่าเราไม่ได้บอกเราไม่ได้สั่งมันแต่กิจกรรมที่สองมันมีความตั้งใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่หรือไม่บทที่สามขีดกันเส้นเส้นขึ้นหน้ากระดาษบทกิจกรรมที่2 กิจกรรมที่สจึงมีชื่อว่าสรุปความแตกต่างระหว่างเพอคิดกับตั้งใจคิดสรุปความแตกต่างระหว่างเพอคิดกับตั้งใจคิดลองสรุปเนาะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเพอคิดเป็นยังไงตั้งใจคิดเป็นยังไงเอาเอาเป็นข้อเป็นข้อเอาจากไหนเอาจากไหนมาสรุปละ่ะก็กิจกรรมที่1กับกิจกรรมที่2 สำคัญนะใครสามารถสรุปประเด็นตรงนี้ได้แยกเป็นข้อเป็นข้อชัดเจนเห็นความแตกต่างชัดเจนการเข้าใจธรรมะการเรียนรู้เรื่องธรรมะมันจะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าไปอย่างรวดเร็วหรือไม่เอาอะไรมากชีวิตถ้าแยกเป็นตรงเนี้แยกเป็นรู้จากมันใช้มันให้เป็นรู้จากคุณจ า, จากโทษชีวิตก็เปลี่ยนได้เนาะชีวิตเปลี่ยนเลย แต่ก่อนเราไม่เคยรู้จักมันตอนนี้รู้จักมันแล้วใช้ให้เป็นรู้จักคุณจากโทษเนี่ยมันก็เปลี่ยนกระบวนการของชีวิตได้นะก็พูดใน้ฟังแล้วพาทาแล้วชี้สังเกตต่อไปจะเป็นแชร์ประสบการณ์อ่ะมีใครจะแชร์บ้างว่าเผอคิดเป็นยังไงตั้งใจคิดเป็นยังไงเอาอย่างละข้อยกมือเลยเดี๋ยวไม่อยกไปหา สำคัญนะไม่มีถูกไ ม, ม่มีผิดมีแต่ประสบการณ์ที่เอาอมาเรียนรู้ร่วมกันมีไหมเผอคิดเป็นยังไงตั้งใจคิดเป็นยังไงยกมือเลยไม่อยาไปหาอ่าด้ลนหลังค่ะกาบพระอาจารย์นะคะเผลอคิด ในความคิดของหนูนะคะก็ทำให้ขัดจังหวะสิ่งที่ตั้งใจทำอยู่แล้วก็ตั้งใจคิดก็คือมีสติแล้วก็สามารถคิดเป็นลำดับไปรู่ล่วงคะ่ะอืมน่าสนใจขัดจังหวะด้วยนะเนาะเผอคิดแต่ตั้งใจคิดมีสติมีลำดับมีไหม ค่ะเพอคิดนะคะคือหนึ่งไม่ได้ตั้งใจอสองเป็นเรื่องคิดชั่วขณะสามหยุดชั่วขณะแล้วทำต่อส่วนตั้งใจคิดคือหนึ่งลงมือทำสองใช้ความคิดสามคิดไตรตรองสี่ทำจนจบค่ะอืลงมือทำใช้ความคิดอ่ะดีไหม เผลอคิดนะคะก็จะเป็นเรื่องราวหลายๆเรื่องเข้ามาเดี๋ยวก็คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าหากตั้งใจก็จะมีลำดับขั้นตอนเป็นเรื่องราวที่เราสามารถจะเรียบเรียงได้ค่ะมีไหมอาดานา เผลอคิดอะคะ่ะมันจะมีเหมือนความรู้สึกร่วมเช่นแบบกังวลขึ้นมากับเรื่องที่เผลอแล้วก็เครียดหรือแบบดีใจะคะแต่ว่าถ้าตั้งใจคิดมันจะเฉยๆค่ะมันจะรู้สึกเฉยๆน่าสนใจประเด็นนี้มีความรู้สึกเข้ามากเกี่ยวด้วยดีไหมใช้ประสบการณ์ร่วมกันเนาะเป็นเรื่องราวที่ บอกได้ว่าการใช้ประสบการณ์นี้เป็นการถ่ายทอดความรู้เ ร, เราสู่กันฟังไม่มีถูกไ ม, ม, ม่มีผิดม่แต่สิ่งที่เรารู้แหละมีไม้มีไ ม, ม, ม้แตกต่างกันอย่างไรเพื่อคิดเป็นยังไงตั้งใจคิดเป็นยังไงอ่ะแป๊บหบนึง่งรอด้านหลังก่อนกราบนามัส ก, การร อ, อาจารย์นะคะเผือคิดมันแวบเข้ามาไม่รู้ที่มาอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ พรจุดมันก็หายไปแต่การตั้งใจคิดนี่คิดจากการที่มองเป็นภาพแล้วก็ค่อยๆออกมาเป็นลำดับขั้นตอนอการทำนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือมีการทบทวนด้วยในระหว่างที่ที่เขียนค่ะอืมทบทวนด้วยใช่่ ะ, ะมีไหมดันนาโยกเือรไม่จะมาหาเมื่อกี้ดันนาใช่ไหม ยกมือไหมเ่อกราบพระอาจารย์ค่ะถ้าเป็นเผลอคิดจะเป็นลักษณะว่าคิดเรื่อยเปื่อยฟุง้งซ่านแล้วก็คิดหลายๆเรื่องแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ตั้งใจคิดเนี่ยเราจะตั้งใจเฉพาะเรื่องที่เราต้องการแล้วก็ <c oughs> ลำดับความสําคัญแล้วก็ในการจัดลำดับว่าทําอะไรยังไง เฉพาะเรื่องนั้นๆนะคะมีไหมมีไหมมีไหม การพั า, พ า, าค่ะก็เพ้อคิดในความคิดของหนูนะคะก็จะเป็นความคิดที่สั้นๆไม่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็งงไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดจบแล้วก็อยู่แบบเดี่ยวแล้วก็ตั้งใจคิดนะคะก็มันมันจะตั้งใจจิตมันจะจดจอ่อมีการลำลึกนึกถึงเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะ แล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนอแล้วก็มันจะอยู่นานด้วยค่ะอืมจนจบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่นานแล้วก็จบเรื่องขอบคุณค่ะเนาะนันก็พอสมควรแล้วลแหละทีนี้เรามาสรุปกันเนาะไอเรื่องความเผิดคิดกับเรื่องความตั้งใจคิดเนี่ยว่ามันเป็นยังไงจะพูดถึงความตั้งใจคิดก่อนกแต่ เ, เ, เผิดคิดคายาวอย่างที่หลังเรามาดูที่ความตั้งใจคิด จะสังเกตว่าความตั้งใจคิดมันมีความตั้งใจใช่หรือไม่มีสติมีสมาธิไหมมีความชอบไหมมีความชอบด้วยเนาะมีประสบการณ์ไหมประสบการณ์ว่าที่เราเคยทำมาใช่หรือไม่บาทมีมองเป็นภาพเลยใช่หรือไม่เป็นภาพชัดเจนเลยว่าต้องทำยังไงต่อมีกระบวนการไหมต้องแบบนี้ก่อนนะต้องหนึ่งสามสี่แบบนี้ก่อนมีไหมอย่างเช่นสมมตินะ จะต้มปลาสามารถเอาหม้อตั้งเอาปลาใส่เอาน้ำใส่แล้วต้มได้เลยไหมจุดไฟเอาหม้อตั้งจุดไฟเอาปลาใส่เอาน้ำใส่ต้มได้เลยไหมเพระอะไรข่าวว่ามันจะขาวใช่หรือไม่มันต้องทํำยังไงก่อนต้องทอํายังไงก่อนนะขอขอขอก่อก่อนเกดตาก่อนไม่ใช่ กระบวนการก็คือต้องทําให้น้ําเดือดก่อนใช่หรือไม่ใส่เครื่องปรุงก่อนแล้วค่อยใส่ปลาลงไปใช่ไหมมันก็มีอยู่ว่ามันต้องแบบนี้นะยังไงไม่ได้ต้องแบบนี้ใช่หรือไม่มีไหมกระบวนการเหล่าเนี้มีประสบการณ์ไหมว่าเราเคยทําของน้องนี่แหละอร่อยที่สุดใช่ไหมต้องแบบ้องนี่แหละต้องซิกเนเจอร์เรานี่แหละใช่ไหมมันกับมีประสบการณ์มีเรื่องราวเข้ามามีขั้นมีตอนชัดเจนเล ย, เลยใช่หรือไม่ต้องแบบนี้เป็นลําดับลําดับ และที่สำคัญจบเป็นไหมจบเป็นไหมจบเป็นด้วยเพราะว่าทำเสร็จแล้วก็จบเป็นชิ้ น, นอันไปแล้วมีการทบทวนด้วยเอ้ยอันนี้เพิ่มไปสักหน่อยอันนี้ปรับแต่งสักหน่อยใช่หรือไม่มันกลับมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาทีนี้ลองมาดูความเผลอคิดสิความเผลอคิดเป็นยังไงปฏิบัติป่อไมเป็นเรื่องเป็นราวไหมมีเรื่องอไม่ปฏิบัติต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราว บางทีมีบอกว่ามีขัดจังหวะด้วยใช่ไหมแวบขึ้นมามีแวบขึ้นมาไหมบางเรื่องอืมบางเรื่องรู้จักชื่อมันไหมที่มันแวบขึ้นมาไม่รู้จกักเอ๊ะเรแค่แว บ, บขึ้นมาแล้วก็หายไปเนาะทีนี้แล้วก็บอกว่ามีความรู้สึกด้วยใช่ไหมมีความรู้สึกด้วยมีอารมณ์เข้าแทรกด้วยอืมพอมันขึ้นมาปั๊บกลับมีอารมณ์มีบางอย่างเข้าแทรกถามว่าไอ้เผอคิดเราได้ตั้งใจให้มันเกิดไหมอืมจงเผอคิดนะไหม จงอย่าคิดเลยอย่าอย่าคิดเยอะเลยมันเชื่อไหมนะไม่ได้บอกไม่ได้สั่งใช่หรือไม่ไม่ได้บอกไม่ได้สั่งให้มันเกิดแต่มันก็เกิดเองเนี่ยตัวนี้นี่ตัวสำคัญ <c oughs> ทีนี้เนาะในเรื่องความตั้งใจคิดเนะี่ยเขาเรียกว่าจากวันเนี้ยเราจะไม่สอนกันหรอกเนาะจะไม่เอาไปจะเอาจะไม่เอามาเป็นที่ติดตั้งเป็นที่ เขาเรียกว่าโลกเนี้ยเขาก็สอนกันอยู่แล้ว้เรื่องความตั้งใจคิดถามว่าเรารู้จักความตั้งใจคิดมานานเท่าไหร่แล้วคิดมานานเท่าไหร่แล้วอืมตั้งแต่เราจําความได้ใช่หรือไม่คนแรกใครเป็นคนสอนเราเรื่องความตั้งใจคิดดูไหมเนาะแม่พ่อก็แม่แหะเราใช่หรือไม่สอนให้เราพูดใช่ไหมต้องหม่งความตั้งใจคิดแม้แต่ตอนเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนมา มีใครสามารถเขียนกอไก่ถึ ง, ง, งหฮอนดฮูกได้เลยไหมมีไหมมันต้องทํายังไงก่อนก่อนจะเขียนได้ก็ต้องหัดจับปากกาหัด จ, จับดินสอก่อนเนาะจับมาแป๊บเขียนกไก่ได้เลยไหมไม่ก็ต้องขีดนั่นขีดนี่ก่อนใช่ไหมขีดเป็นก่อนก็ต้องมาผ่านความตั้งใจจะเขียนกไก่ได้ก็ต้องตั้งใจถึงฮอนด้าฮูกก็ต้องตั้งใจเข e ียนเสร็จแล้วเ e อาคํามันเขียนเสร็จแล้วออกสิ่ ง, ง, arn, งเหล่ arn, านี้มาทําอะไรต่อกัน เอาตัวอักษรมาสะกดใช่ไหมเป็นคำนั่นแหละก็ต้องผ่านก็ต้องผ่านความตั้งใจกว่าจะอ่านออกเขียนได้บวกเลขคูเลขผ่านความตั้งใจไหมตอนมัธยมตอนเข้ามาัธยมได้ทำรายงานไหมรายงานต้องมีสรุปผ่านความตั้งใจไหมเนาะเราต้องอ่านทั้งหมดก่อนถึงจะสรุปได้เนาะผ่านความตั้งใจแม้แต่จบมาจบมาผ่านความตั้งใจแม้แต่ทางานก็ผ่านความตั้งใจ เขาเรียกว่าโลกทุวันเนี่ยสอนเราสอนให้เราเป็นอยู่แบบเนี่ยผ่านความตั้งใจพัฒนาโลกพัฒนาคนก็ความตั้งใจเนาะทั้งโลกเลยใช้ตัวเนี่ยพัฒนามาแล้วก็ส่งต่อยิงยุคนี้เนาะเขาบอกเลยว่ามันมันเขาเรียกว่าข้อมูลมันเยอะมากมันเยอะมากจนแบบว่าอืมมันคือองค์ความรู้จากความตั้งใจแหละมันเยอะจนแบบเขาเรียกว่ามันมีขอเอกมัได้แล้วต้องมี ปัญญาประดิษฐ์เคยยินไหมปัญญาประดิษฐ์ที่ว่าเอามาบีคอให้เพราะว่ามันเยอะหรือเกินข้อมูลที่มันสะสมมาจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตสู่ปัจจุบันจากหลายๆบุคคลมันก็ผ่านความตั้งใจนั่นแหละเราจะไม่สอนกันเนาะจะไม่สอนกันเพราะว่าทุกคนต่างรู้อยู่แล้วต่างใช้มันเป็นอยู่แล้วต่างรู้จักดีอยู่แล้วแต่เราจะมุ่งสู่อันหนึ่งแต่เราจะมุ่งสู่อีกฝั่งหนึ่งก็ความเพอคิดนี่แหละไอตัวเพอคิดนี่แหละที่เรากับ ไม่เคยรู้จักมันมาก่อนแต่มันก็อยู่กับเรามาขอถามว่าคิดว่ามันอยู่กับเราวันนั้นแล้วอย่างองตัวเพื่อคิดเนี่ยเคยรู้ไหมว่าชีวิตนี้มีเพื่อคิดด้วยเนอะเคยรู้ไหมว่าเผื่อคิดนี่มันมันเกิดเองเราไม่ได้บอกเราไม่ได้สั่งเราไม่ได้จัดการมันแต่มันก็ทํางานของมันเองสังเกต ด, ดูสิตอนเรานั่งยกมือสั่งยัง่าเราอยู่กับอะไรนะ เราตั้งใจอยู่กับตรงไหนอยู่กับการเคลื่อนมือไว้มือไปมือมาใช่หรือไม่เราอยู่กับกรรมาฐานเราตั้งใจอยู่ตรงเนี้ยแต่ขณะเราตั้งใจอยู่กับตรงนี้อะไรบางอย่างที่มันแว บ, บออกไปอะไรที่แว บ, บออกไปในกิจกรรมที่หนึ่งใจที่มันเผลอคิดใช่หรือไม่นั่นแหละ <c oughs> เขาเรียกว่าเนาะตลอดห้าวันเนี้ยเราจะมาเรียนรู้ตรงนี้กันว่า มันมีตรงนี้ด้วยมันมีอีกด้านหนึ่งด้วยคือความเผลอคิดนี่แหละที่เรากับไม่เคยรู้จักมันมาก่อนไม่เคยมันมีอยู่แต่เราไม่รู้จักมันไม่เคยเขาเรียกว่าอืมไม่รู้จักไม่รู้จักมันไม่พอแต่กับตีรวมด้วยว่าเป็นเราคิดอีกต่างหากลองดูดีๆสิตั้งใจคิดใครคิดฮะเผลอคิดใครคิด ตั้งใจคิดใครใครคิดฝื่อคิดใครคิดอืบัานใจเหรออืเนาะนั่นแหละพอแล้วลองสังเกตดูเนาะพอเราตีเรื่องความคิดปั๊บล้วก็บอกว่าเราคิดใช่หรือไม่ก็เราคิดเนี่ยเราตั้งใจคิดมามันก็คิดขึ้นมาได้ยิ่งยุคยิ่งทุกวันเนี้เขาบอกว่าความคิดเป็นการทํางานของของอะไรของสมองใช่ไหมโลกตะวันตกบอกมาว่า เป็นการทำงานของสมองสมองก็เป็นส่วนหนึ่งของของกายเรานั่นแหละมันจึงง่ายมากในการตีรวมว่าเป็นเราเป็นเราคิดเราส ร, ร้างเราก็ทาเป็นเราทุกอย่างคือเราคือเรา น, นก็ที่บอกว่าทำไมคนคนยุคหลังยุคภายหน้าจะเข้าใจธรรมที่บอกว่าจะเข้าใจธรรมะยากขึ้นยากขึ้นเพราะอะไรดูไหมเพราะมันตีรวมมาเป็นเราหมดมันตีรวมมาเป็นเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรา แต่เมื่อกี้กิจกรรมเมื่อกี้ถ้าให้ยกมือสร้างจังหวะแล้วสังเกตความเผลอคิดขอถามว่าเราได้บอกให้ความเผลอคิดมันเกิดไหมเราเราได้สั่งมันไหมเนาะเราไม่ได้บอกเราไม่ได้สั่งบางทีห้ามด้วยเราไม่เชื่อฟังไหมจะคิดเดยอะเลยมันเชื่อไหมไม่เชื่อกูจะคิดให้หรือไม่แต่มีบางสิ่งบางอย่างกลับทํางานนอกเหนือคําสั่งนอกเหนือความเป็นเราเนี่นแหละ บทเริ่มต้นบทเริ่มต้นในการทรมิปัสสนานะในการทำมิปัสสนาบทเริ่มต้นมันต้องเข้าใจเรื่องกายเรื่องจิตให้ออกต้องเข้าใจเรื่องกายเรื่องจิตให้ออกแยกกายแยกจิตให้ออกรู้จักว่ากายเป็นยังไงรู้จักว่าจิตเป็นยังไงแ ต, แต่แต่บทเริ่มต้นนี้ก็บอกเลยว่าก็เป็นสิ่งที่ยากเนาะเป็นสิ่งที่ยากถ้าตามตำราเขาบอกว่าเครื่องปิดกั้นการบรรลุธรรมเนี่ยมีอยู่สิบอย่าง เครื่องนวงเนียวเครื่องเนียวลังเครื่องดึงลังการเข้าถึงธรรมไปอยู่สิบอย่างสิบลำดับหรือที่หรือที่เรียกว่าสังโยตสิบสิบตัวตัวที่สิบมันมีชื่อว่าอาอาวิชาหรือความไม่รู้เนาะความไม่รู้เนี่ยถ้าใครหมดอาวิชาแล้วก็เป็นพระอรหันจบไปแล้วคิดว่ามันจะยากไหมยากเนาะมันตัวที่สิบะ ใช่ห ม, ห ม, ห, มหมดอภิชาติก็เป็นพระอาหารหันต์จบไปแล้วบรรลุธรรมสูงสุดไปแล้วแต่บอกเลยว่าไม่ใช่ตัวยี่สิบไม่ใช่ตัวยี่สิบตัวแรกสุดที่ต้องทุกคนต้องเจอต้องผ่านด่านต้องเจอมันต้องเข้าใจมันคือสักกายทิฐิตัวแรกสุดแปลออกมาคือความหลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นเราหลงว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราทุกอย่างเป็นเรา ร่างกายนี้ของเราเราคิดเราสร้างเรากระทำเป็นเราหมดทุกอย่างคือเราเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละยากที่สุดแล้วเนอะบอกได้ว่าเป็นตัวที่ยากที่สุดในการเข้าใจแต่ก็เป็นตัวที่ง่ายในการเรียนรู้เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเรามีเรื่องกายเรื่องจิตมีกายมีใจลองสังเกตคําไทยสิมีไหมคําว่ากายคําว่าใจที่แทรกอยู่จิตเป็นนายกายเป็น ขับที่อยู่ได้ต้องตาต้องเห็นไหมมันกับมีคําว่าใจอยู่ถึงอกถึงเนาะมีหลายคํำไหมเนี่ยมีอะไรอีกมีอีกเนาะมีลหลายคํามากเลยที่เกี่ยวกับใจใช่หิือไม่แต่เรากับเคยเอ่ยใจมาว่าเอ้ยมันคืออะไรว่าแท้จริงแล้วบอกเลยว่าคนโบราณเราเนาะคนโบไม่ใช่คนโบราณสิคนที่บัญญัติภาษาขึ้นมา ไม่เรียกว่าไม่ธรรมรดาะนะในเรื่องการเข้าใจศาสนาพุทธท่านบางรูปแบบให้เราแล้วว่ามันมีแบบนี้นะมันมีสองอย่างแต่เวลาผ่านไปผ่านไปเรากลับลืมเลือนใช่หรือไม่เรากลับไม่เห็นเราเห็นกายอยู่แต่เรากลับไม่เห็นใจตัวเองแต่เราก็ตีรวมว่าเป็นเราเป็นเราทุกอย่างเป็นเรานั่นแหละเนาะทีนี้ตลอดท่าวันนี้เนาะก็จะพาไปเข้าใจเรื่องนี้เป็นหลัก ในบทที่เมื่อกี้บทที่เท่าไหยแล้วฮะสามสี 4. บทที่4รรีกก่กรรมฐานจะพาไปรู้จักกับอะไรใช่ไหมกรรมฐานจะพาไปรู้จักกับอะไรพาไปรู้จักกับความคิดใช่ไหมว่าเราทําอยู่มันก็มีแว๊กไปเป็นความคิดแล้วความคิดมันมีกี่อย่างฮะ ความคิดมันก็มีสองอย่างใช่หรือไม่อันแรกคือเผลอคิดกับเาให้เราจำไว้คนเราเกี่ยวข้องกับความคิด2 อ, อย่างอยู่แค่นี้แหละเพลอคิดกับตั้งใจคิดเราเห็นเพลอคิดได้จากการทำกรรมฐานใช่หรือไม่เราเราเรากับตั้งใจอยู่กับสิ่งนะี้กรรมฐานอยู่แต่บางอย่างมันก็แวบมาแวบมา ในรูปแบบของเผอคิดนั่นแหละคือตัวที่เราจะสังเกตตลอดห้าวันนี้เนาะห้าวันนี้บทที่ห้าก็จึงมีชื่อว่าความเผอคิดจะพาไปเจออะไรเผอคิดจะพาไปเจอกับอะไรเนาะเป็นคำถามเขาเรียกว่าปลายเปิดเนาะ เป็นคำถามปายเปิดทุกคนไปหาคำตอบเอาเองว่าใครจะได้คำตอบเร็วช้าก็แตกต่างกันไปเป็นคำถามปลายเปิดทิ้งไว้เฉยเ <c oughs> นาะให้เราไปศึกษาให้เราไปหาคำตอบด้วยตัวเองจากการปฏิบัติตลอดทาวันนี้แหละว่ามันเปิดคิดผาไปรู้จักกับอะไรไปเจออะไร เดี๋ยวเรามาทบทว น, นว่าบ่ายนี้เราเรียนรู้ขั้นตอนอะไรบ้างว่ามีอะไรบ้างในบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งชื่อว่าอะไรนะความตั้งใจกับความเคยชินต่างกันอย่างไรหรือเราเรียงว่ามันต่างกันอย่างไรว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความตั้งใจมันความตั้งใจมันมีสติมีสมาธิกํากับใช่หรือไม่แต่ความเคยชินมีไหมไม่มีมีแต่ความหลงเนาะ น, นั่นแหละ ทีนี้ชีวิตรเราอยู่กับความตั้งใจหรือว่าเคยชินเยอะกว่ากันเนาะเรามาลูที่แท้แล้วโอ้แท้จริงแล้วชีวิตรเราเนี่ยมีเคยชินเยอะกว่าความตั้งใจอีกถามว่าเรามีความตั้งใจไหมก็มีอยู่แต่ถามว่ามันมันเยอะเท่าเคยชินไหมละ่ะโดยสัดส่วนแล้วไม่ใช่หรือไม่เราตั้งใจแค่บางครัง้งบางคราวแล้วก็จบลงแต่ทั้งชีวิตเนี่ยอยู่กับความเคยชินทําสิ่งต่างๆด้วยความเคยชินเนาะนั่นแหละ ทงนี้บทที่สองจึงมีชื่อว่าความตั้งใจจะพาไปรู้จักกับอะไรเรายังหยิบความตั้งใจขึ้นมาทำต่อเมื่อเราตั้งใจทำปับ๊บมันเกิดภาวะอะไรนะภาวะรู้ภาวะรู้หรือมันมีสติสมาธิใช่หรือไม่ก็นี่แหละที่บอกว่าให้มีสติมีสมาให้มีสตินะกับการทางานต่อไปเนาะการจะทำงานให้มีสติทำยังไงถ้าเราโดนคำ ถ, นถ้าเราโดนคานี้ว่า ทำงานไม่มีสติ ม, มีสมาธิเลยต่อไปจะทําทแบบไหนให้มีสติมีสมาธิตั้งใจเนาะใส่ความตั้งใจกับสิ่งเหล่านั้นมันก็มีสติมีสมาธิขึ้นมานั่นแหละบทที่สมจึงมีชื่อว่าเอาตัวรู้เนะี่ยไปทําอะไรเอาตัวเอาเมื่อเราเมื่อเราตั้งใจทําปับ๊บมันเกิดภาวะรู้เนะี่ยมันเกิดภาวะรู้เองเอาตัวรู้มาทําอะไร เอามากรรมฐานใช่ไหมมาตลอดมาห้าวันนี้เราไม่ได้ทํางานอย่างอื่นแล้วเรามาทํากรรมฐานมาฝึกเรียนรู้มาภาวนากรรมฐานประกอบด้วยกี่ส่วน2 ส, ส่วนคือฐานกับใจกรรมฐานที่ดีสุดคือกายเนาะพระเจ้าบอกว่ากายลมหายใจก็ใช้ได้เอียเอ้ยวอีวัวใหญ่กูเ้เดินยืนนั่งนอนก็ใช้ได้หรือ รีบปวดย้อยคู้เหยีดขึ้นใบก็บพิภตาขึ้นน้ำลายหานซ้ายแล้วขวาอุจจาระปัสสาวะก็ใช้ได้ก็ยึดเป็นที่มาของสิบสี่จังหวะตามแนวทางหลวงปู่เถียนนั่นแหละผ่านสิบสี่จังหวะให้เราตั้งใจทําให้มันถูกท่าถูกทางพอเราตั้งใจทําปั๊บมันถูกท่าถูกทางอะไรมันเกิดฮะเมื่อเราตั้งใจทําให้มันถูกท่าถูกทางอะไรมันมันือไม่ ไอ้ที่เราทำส14อย่ยัง่งเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหม <c oughs> เพื่อมันถูกท่าถูกทางใช่หรือไม่ต้องตั้งใจไหมเ <c oughs> มื่อตั้งใจทำปั๊บมันเกิดภาวะมันรู้หรือมันมีสติแน่นอะนก็จึงเป็นที่มามของคาว่าเจริญสติสติเมไม่ต้องไปสร้างมันไม่ต้องไปหาทางสร้างมันแค่เราตั้งใจทํานะรู้แล้วก็จบเป็นขณะรู้แล้วก็จบให้ตั้งใจอันนี้คือการเจริญสติจเจริญ แสดงว่ามันมีอยู่แล้วใช่หรือไม่ไม่ใช่ว่าสร้างสติมาปฏิบัติเพื่อสร้างสติไม่ใช่จะเลืิญสติให้มันมากขึ้นคือมันมีอยู่แล้วนีแค่เรามาจเจริญให้มันมากขึ้นทีนี้บทที่4ีกรรมฐานจะพาไปรู้จักกรรมอะไรใช่ไหมพอเราทําแบบนี้ไปสักพักนึงป๊บมันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบคืออะไรความคิดใช่ไหมที่มันออกไปเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบ พอไปอยูจริงๆแล้วเออนี้มันเผื่อคิดนี่ว่าใช่ไหมเราไม่ได้บอกเราไม่ได้สั่งเราจะสั่งให้มันเกิดไหมความคิดแบบเนี้ยเราลองสังเกต ด, ดูเนาะโอ้อย่ายิ่งเราห้ามยิ่งปฏิเสธมันมันเชื่อฟังไหมมาปฏิบัติทำอยากสงบสงบอยากไม่ต้องคิดเยอะมันเชื่อไหมไม่เชื่อจะทํางานคิดไปคิดไป ย, ยาวๆเลยมันเชื่อไหมไม่แสักพักมันก็กลับมาเองเนาะสักพักมันก็หายไปเอง เ ด, เ, ดเดี๋ยวเกิดเตียวดับมีเรื่องมีราวบางเรื่องก็เป็นเรื่องเป็นราวบางเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวใช่หรือไม่มีอารมณ์เข้าแทรกไหมน้อนั่นแหละแต่พอมาดูจริงๆแล้วเอ้ยมันก็มีความคิดอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าตั้งใจคิดนี่ว่าตั้งใจคิดมันก็มีสติมีสมาธิมีความชอบกํากับใช่หรือไม่แต่มันก็มีความคิดแบบหนึ่งก็คือเพลิดิดนี่หว่าที่เราไม่ได้บอกเราไม่ได้สั่งมันเออมันก็มี2แบบความคิดมีกี่แบบนะ คือเพอรชิดกับเนาะตลอดห้าวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตรงนี้แหละ่วงเพอรชิดเป็นหลักเนาะเราจะมุ่งสู่ตรงนี้กันบอกเลยว่าไอ้ตรงด้านเนี่ยไม่ค่อยมีใครสอนกันเนาะจริงๆนะแม้แต่การปฏิบัติธรรมเขาก็มุ่งสู่อะไรก็ไม่รู้ผ่านความตั้งใจคิดเห็นแล้วแบบโอ้มันถามว่ามันดีไหมรู้แบบนั้นมันก็ดีอยู่เป็นความรู้ ให้เราได้รู้เนาะเป็นความรู้ผ่านความตั้งใจแต่ถามว่าประโยชน์ของมันก็ก็ประโยชน์แค่รู้รู้แบบรู้ประดับรู้เพื่อตอบได้รู้เพื่อศึกษาแบบเนี้ยแต่ถามว่าประโยชน์เพื่อตัวเองละ่ะมีไหมไม่มีเลยน้อยหรือว่าน้อยมาหรือว่าน้อยมากแต่ถ้ามาเรียนนึงเราได้มาเรียนรู้วอีกฝั่งหนึ่งกุศลความเภ้อคิดเนี่ยเข้าใจมันว่า อันนี้หรือเปล่าที่บาที่พาเราไ ป, ไปเป็นทุกข์ลองสังเกตดูสิไอ้ความเผลอคิดกับความตั้งใจคิดว่าไหนมันน่าจะสร้างทุกข์อ่ะมีใครตั้งใจแล้วทุกข์ไหมว่างหนึ่งชั่วโมงจะตั้งใจทุกข์ป่ะไม่ทุกข์มาหลายวันแล้วมีไหมไม่ไม่ทุกข์มาหลายวันแล้วแบบนี้มันอยากทุกข์อ่ะตั้งใจทุกข์ดี ก, กว่านี้ไหมไม่มีหลอกใช่หรือไม่มไปกับความเคยชินหรือไปความเผลอคิดนี่แหละเนี่ย เราจะมาเรียนรู้กันว่าตรงนี้มันคืออะไรอะไรพาไ ป, ไปเกิดตรงเนี้ยแล้วมันเป็นยังไงเนาะพาไปเจาะลึกเจาะลึกไปเห็นตัวทุกข์ว่าอะไรคือทุกข์ไปเห็นว่าอะไรคือเหตนนะุให้เกิดทุกข์กระบวนการที่พาออกจากต้นนั้นได้ทําแบบไหนกระบวนการที่ดําเนินไปให้ถึงที่สุดทําแบบไหนเนาะนั่นแหละบอกเลยว่าสิ่งที่พระอาจารย์คิตท่านสอนเนาะพาไปได้ขนาดนั้น เราอาจจะบอกว่าเรามาปฏิบัติเรามาเอาบุญกุศลมันก็ได้อยู่แล้วเอามาอยากสงบมันก็ได้เนาะแล้วแต่ใครอยากได้แบบไหนแต่ถ้าใครบอกบอกว่าอยากเข้าใจเรื่องทุกข์อยากปฏิบัติสู่ความบรรทุกอะทำได้ไหมก็บอกว่าได้เนาะถ้าไปวัดเนาะจะบอกเสมอว่าอยู่วัดเราให้ได้หมดคุณจะเอาเรื่องบุญกุศลก็สอนได้ เรื่องบาปบุญคุณโทษเราก็สอนได้หรือเราก้าบอกว่าเราสอนเรื่องเรา ส, สอนเรื่องถึงีิสุดคือความบนทุกข์ก็สอนได้เนาะก็สอนได้ทำไมถึงไม่ทำไมถึงมั่นใจละ่ะอืมว่าสอนได้ก็เพราะเขาเรียกว่าก็ไปสัมผัสมาแล้วว่าภาวะ น, นั้นมันมีจริงอยู่เนาะกระบวนการสอนพาไปเจอจริงๆมันจึงมั่นใจว่าพาไปได้แล้วแต่เราว่าจะเอาไหมแค่นั้นเอง ใช่หรือไม่แม้แต่เคยมีคนหนึ่งเนะเาะเขาเขาบอกว่าเขาปเป็นเรียนกับสายหลวงปู่เทียนนี่แหละยกมือสิสี่จังหวะนี่แหละและ้วเขาก็ถามที่พระอาจารย์สอนยกมือสิบสี่จังหวะอันนี้เป็นพระรูปอื่นเนาะที่พระอาจารย์สอนยกมือสิบสี่จังหวะเนะี่ยมันพาไปพทุถุคตจริงไหมดูไหมพระตอบว่ายัางไงอาตามาก็ไม่รู้เราคิดดูสิอาตามาก็ไม่รู้แล้วคนเรียนมันจะมั่นใจไหมน้องแบบโอ้ เสียงหมดเลยเสียงหมดเลยแต่มาวันนี้บอกว่าเรามั่นใจเนาะพาไปตรงนั้นได้จริงๆพาไปเจอได้จริงๆส่วนเราจะเอาไหมเดือนไม่เอาเรื่องของเราเนาะก็ห้าสิบสาอ่ะใครมีคำถามไหมปิดท้ายหน่อยสักคำถามวันนี้เราจะปล่อยสักสี่โมงอ่า สังโยชน์สิอ๋อเป็นตัวสังโยชน์สิบเขาเรียกว่าตัวตัวปิดกัน้นตัวเหนี่ยวลังการการเข้าใจธรรมมันมี10บลำเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะตามความหมายก็คือมันเนเครื่องปิดกัน้นเครื่องเหนี่ยวลังเครื่องงมเหนี่ยวการเข้าใจธรรมะเป็นตัวขวางตัวขวานการเข้าใจธรรมะเรียกว่าสังโยชน์สิมันมี10อย่างแล้ว ย, ยังไงละ่ะ ทีนี้ตามจริงเนาะอันนี้ก็เป็ น, ม, นมันก็เป็นความรู้เราจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกและผู้ที่เข้าใจทำไหมเขาเรียกว่าอยบบุคคลเนาะมีอยู่4แบบถ้าเราเด็ดส่วนจะมีอยู่4อย่างคือพระพระโสดาบันพระสกิตาคา ม, มีพระอนาคา ม, มีพระอรหันต์ใช่ไหมพร ะ, ะโสดาบันจะเป็นผู้ที่ละสังโยชน์สามตัวแรกได้เนาะละสังโยชน์สามตัวแรกได้ก็คือนี่แหละสักการณยติทิวิกิจริชฌาศีละพัตตปรมาน สามตัวเนี่ยจะเข้าใจจะตีแตกจึงเรียกว่าพระโสดาบันเนาะเป็นบทเริ่มต้นเป็นพะยะบุคคลเป็นพะยะบุคคลขั้นเริ่มต้นเป็นผู้ตกกระแสสู่ความหลุดพ้นเนาะสู่ความหลุดพ้นสู่ความพ้นทุกนันแหละส่วนที่บอกว่าสังโยชน์สิบคนที่คนที่รอดได้ยังสิบตัวเข้าใจยังสิบตัวคือพระอาหารหันต์จบไปแล้วนั่นแหละก็จึงบอกว่าตัวที่สิบ ใครหมดวิชาก็คือมีวิชาแล้วรู้รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกับใจตัวเองแล้วแต่บอกว่ามันไม่ใช่ตัวที่ยากเนาะตัวยากสุดคือตัวแรกนี่แหละยากมากๆเนาะยากที่สุดแล้วในการตีห้มแตกถึงบอกว่าเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราปฏิบัติมากหลายครั้งแล้วเห็นกายเห็นจิตแล้วแต่บอกได้ว่ามันก็ยังเนาะมันก็ยังใจยังไม่ยอมหรอกเนาะมันต้องดูซ้ําแล้วซ้ำหรอ อันนี้เป็นประสบการณ์ตัวเองเนาะเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเอ๊ะจากแต่ก่อนเราก็เห็นคน อ, อื่นเนาะเรามาติดตามครูบาอาจารย์มาตั้งหลายเดือนแล้วตั้ง4ีหเดือนเอ๊ะทําไมคนนี้เข้าใจธรรมะง่ายจังมาคอร์สสวันคนนี้มาคอร์สหวันแต่เขาที่เขาเรามาประสบการณ์ก็คือเขาแยกกายแยกจิตเป็นแล้วก็เอ๊ะเราก็รู้อยู่ว่าแต่ทําไมเราตีไม่แตกสักทีเราก็รู้นะเราก็เห็นนะทําอะไรก็เห็นแต่มันยังไม่แตกยังไม่ยอมรับทําไมมันยากเหลือเกิน ตอนแรกเขาท้อเหมือนกันโอ้ยากมากๆเป็นอะไรที่แบบรู้มันถามว่ารู้ไหมรู้เห็นไหมเห็นแต่มันก็ไม่ยอมตีแตกมันหนาแน่นมากตรงนี้แหละแต่ตัวสําคัญเนาะอยากให้เราไปการปฏิบัติซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่ต้องไปนับหรอกโอ้ยทําไมฉันถึงลําบากหรือเกินเนาะครั้งสองครั้งมันไม่แตกหรอกเราต้องซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นนู่นแหละกว่าจะเข้าใจ แต่ถ้าเมื่อใดมืหน่มันเข้าใจมันตีแตกแล้วมันก็แตกเลยในเรื่องกายเรื่องจิตรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วมันก็ผ่านตรงนั้นไปนั่นแหละมันจึงเป็นพอมันตีแตกปั๊บมันก็เป็นแพ็กเกจตอนตอนเนื่องเนาะแพ็กเกจตอเนื่องที่2ที่3มันก็ตามมาเองเนาะแต่ไม่ใช่การอ่านนะไม่ใช่การอ่านไม่ใช่การท่องมาแล้วก็เทียบเคียงเอาแต่เราเข้าไปเห็นประสบการณ์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละเนาะ มีไหมคำถามมีไหมคำถามสงสัยถามได้เนาะ<ม>เผื่ออย่าปล่อยให้ความสงสัยมันเป็นสิ่งที่ครางขามีไหมมีไหมมีไมคนมาใหม่สงสัยไหมปฏิบัติแบบ น, นี้ทำเพื่ออะไรทำไปยังไงแล้วจะมีอะไรต่อ หรือว่าไม่รู้จะถามอะไรแล้วเนาะก็งั้นก็เนาะบ่ายนี้ก็เขาเรียกว่าเนี่ยที่เราเรียนมาทั้งมีกี่กระบวนการนะเนี่เมื่อกี้มีกี่บท5้าบทใช่ใช่หรือไม่ห้าบ ท, ม, าบทมันก็จบขั้นต้นแล้วนะเนี่ยจบแล้วจริงๆ จ, จบขั้นต้นที่แบบได้กระบวนการไปหมดทุกอย่างแล้วเหลือแต่เราไปสังเกตเนาะ เราไปเป็นกระบวนการสังเกตเข้าไปสังเกตบอกเลยว่าเราลองย้อนไปดูนะถ้าเรามาไต่ลำดับมาแบบเนี้ยเราจะไม่หลงทางเนาะเราจะจับหลักได้ว่ามันคืออันเนี้ยกรรมฐานจะทําแบบเนี้ยกันเนาะมันไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็ทําสเปซสปาไม่เอาอะไรมาเป็นที่ตั้งละ่ะพาไปรู้จักกับอะไรเอาอะไรขึ้นมาหยิบอะไรขึ้นมาเล่นต่อเราใช้อะไรเป็นที่ตั้งของฐานแล้วฐานคืออะไรดีสุดเห็นไหมเป็นลําดับลําดับ พอได้กรรมฐานแล้วเคยมีไหมพอรู้จักกรรมฐานแล้วแต่ทําอะไรต่อเคยสังเกตไหมให้นั่งหลับตาให้นั่งสมาธิแล้วยังไงต่อมันก็หลงทางแต่เห็นไหมว่าพอเราทํากรรมฐานปาั๊บเราก็จะมาสังเกตว่าเอ้มันมีความเพ้อคิดเออมันมีความคิดนหวรัใช่หรือไม่มันมีความคิดนหวรัการปฏิบัติต่อไปก็คือสังเกตความเพ้อคิดนี่แหละเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเนาะนั่นแหละเขาเรียกว่า กระบวนการเนี้ยเราเอาไปใช้ต่อได้เนาะไปบอกไปสอนต่อได้เพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ห่วงทาำไม่ได้ห่วงกระบวนการเราเอาไปบอกไปสอนไปพัฒนาตัวเองได้ให้มันดีขึ้นเนาะลองซ้ําแล้วซ้ําเล่าดูซ้ําแล้วซ้ําเล่านั่นแหละมันจะเป็นประโยชน์แก่เราเนาะก็บายนี้ก็เอาขั้นต้น ไ, ปไปนว้ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นพระอาจารย์จะมาอธิบายพาไปเข้าใจลึกขึ้นลึกขึ้นเข้าใจเรื่องกายเรื่องจิตเข้าใจเรื่องความเป็นทุกข์ ของกายทุกของใจเข้าไปไปไปเห็นเหตุทุกของกายทําไมมันนึกเป็นแบบนี้ทุกของใจทำไมเป็นแบบนี้กระบวนการจะออกจากทุกตรงนั้นแหละทํำยังไงหรือสุดท้ายการดําเนินไปให้ถึงที่สุดใช้อะไรเป็นเครื่องมือเนี่ยที่พูดมาเรยะศัตรีเลยใช่หรือไม่ตรงๆเลยยะศัตรีมีอะไรบ้างนะทุกส ม, มุทัยนิโรธแปลว่าทุกก็คือทุกนี่แหละ สมุทัยก็คืออะไอนิโรธความดับทุกข์แล้วก็เห็นไหมมันก็ตรงคําสอนของพระพุทธเจ้าตรงๆเลยเนาะก็บอกว่านี่แหละถ้าเราเรียนรู้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามันก็มีอยู่แค่นี้จริงมีอยู่แค่นี้แหละดําเนินบนทางแค่นี้ไปอยู่แค่นี้มุ่งสู่